อาจารย์ครับราะทาพาธีครับรมทุก็ผมตอนนี้มีคนมารอพระอาจารย์ดีครับพระอาจารย์ครับผมพอาจารย์ทัดขันแข็งแรงอยู่นะครับยิ่หายใจได้ครับผมตอนนี้มารอพอาจารย์หกร้อยกว่าคนแล้วครับผมยินดีมีอะไรก็เชิญได้เลยครับผมพอาจารย์ครับอย่างนั้นผมขอเริ่มนะครับวันนี้ผมถามจากคําถามแรกที่ผมตั้งเอาหัวข้อเอาไว้ก่อนนะครับ ผมก็ตั้งใจจะกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าการอธิษฐานนะครับอย่างไรถึงจะได้ผลนะครับเพราะฉะนั้นผมขอกราบเรียนถามพระอาจารย์เรื่องการอธิษฐานก่อนแล้วก็คำถามที่สองคือถ้าอธิษฐานอย่างไรถึงจะได้ผลครับกราบลัสการครับคือคําว่าอธิษฐานนี้มันมีสองความหมายด้วยกันความหมายทางธรรมและความหมายทางโลกเอาความหมายทางโลกก่อน ความหมายทางโลกควาว่าอธิษฐานนี้เราแปลว่าขอขอขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอสิ่งนั้นสิ่งนี้อันนี้ถ้าขอแบบนี้ขอไปจนมาตายก็ไม่ได้เพราะสิ่งที่เราต้องการนั้นมันไม่ได้เกิดจากการขอมันเกิดจากการกระทำของเรา ทีนี้กลับในความหมายหนึ่งความหมายของอธิฐานนี่เป็นหนึ่งในสิบบารมีแปลว่าความตั้งใจหรือการตั้งเป้าหมายคนเราก่อนจะทำอะไรด้าเราต้องมีเป้าหมายก่อนถ้าเราไม่รู้ว่าเราจะไปไหนเราก็ไม่รู้เราจะทำอะไรถ้าเรารู้ว่าเราต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้เราจะได้ ทำเหตุที่ทาให้เกิดสิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นมาเช่นทางธรรมนี้อธิษฐานคือความตั้งใจเพื่อบรรลุมรผลนิพพานการที่เราจะบรรลุมรผลนิพพานไดน้นเราต้องมีความตั้งใจก่อนว่าเราต้องการไปทางนี้ไปทางพระนิพพานเมื่อเราต้องการไปทางนี้เราก็ต้องศึกษาดรือว่าการจะไปทางนี้ไปอย่างไร ท่านก็สอนว่าต้องไปด้วยการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาอันนี้ถ้าเปรียบเทียบทั้งโลกอย่างคุณหมอตอนที่เรียนหนังสือคุณหมอก็มีความตั้งใจที่อยากจะเป็นหมอเมื่ออยากจะเป็นหมอหมอก็ต้องเรียนวิชาความรู้ทางหมอเรียนสอบเอ็นทานคอมโรงเรียนแพทย์ แล้ก็ตั้งใจเรียนไห้สอบตกเรียนอย่างสุดกำลังในที่สุดคุณหมอก็เรียนจบได้เป็นหมอขึ้นมาก่อนที่จะทําอย่างนี้ได้ก็ต้องมีความตั้งใจตั้งใจก่อนมีความอยากที่จะเป็นหมอขึ้นมาก่อนอันนี้คําว่าอธิษฐานาธรรมธรรมะที่ถูกต้องนี้คือแปลว่าความตั้งใจหรือความตั้งเป้าหมาย ว่าเราต้องการอะไรเมื่อเราต้องการแล้วเราก็ต้องรู้ว่าการจะได้สิ่งนั้นมาต้องทําอย่างไรไม่ใช่ขอแล้วก็อยู่ดีๆมันจะลอยมาหาเราอันนี้ไม่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นความเป็นจริงของต่างๆมันมีเหตุมีผลของต่างๆมันเป็นผลที่เราต้องการแต่ผลจะเกิดได้ก็ต้องมีเหตุะ ต้องการเป็นแพทย์ก็ต้องตั้งใจศึกษาตำเรียนตั้งเสือต้องการบรรลุมรรคผลนิพพานก็ต้องปฏิบัติสีนสมาธิปัญญา น, นี่คือคำว่าอธิษฐานที่ถูกต้องต้องอธิษฐานแบบนี้กรับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับ ก็คือสรุปว่าต้องอธิษฐานแล้วก th ็ต mm ั้งใจทําไปด้วยอย่างนั้นใช่ไหมครับอาจารย์ก็ต้องตั้งใจเช่นวันนี้หมอเขาตั้งใจว่าจะมาจะมาประชุมที่นี่มาคุยกันที่นี่ต้องมีความตั้งตั้งจิตต้องเป็นผู้นํา่อต้องเป็นผู้คิดว่าเราจะทําอะไรดีคืนนี้คันนี้เราจะมีการสนทนาทำช่วงสองทุ่มเนี่ยพอเราตั้งเป้าหมายแล้วทีนี้เราก็รู้แล้วว่าสองทุ่มเราต้องมาทํางานชิ้นนี้กัน ถ้าเราไม่ตั้งเป้าหมายบางทีเพื่อนคุณหมอจะโทรมาชวนไปทุระไปที่นั่นที่นี่คุณหมอก็ไปกับเขาได้เราคุณหมอไม่ได้ตั้งเป้าหมายว่าจะมาประชุมกันที่นี่แต่ถ้าตั้งเป้าหมายแล้วแล้วถ้ามีสัจจะคือมีความจริงใจต่อความตั้งเป้าหมายถึงแม้จะมีใครมาชวนให้ไปไหนก็ต้องปฏิเสธเข้าไปเ้าออไปไม่ได้คนที่มีนัด นนแต่ถ้าไม่มีสัจจะไม่มีความจริงใจใครมาชวนให้ไปทำอะไรที่เราชอบมากกว่างานที่เราจะไปทำล้วก็อาจจะเปลี่ยนใจว่างานนี้รอไปก่อนก็ได้ไปกับงานนี้แสดงว่าตั้งเป้าแล้วแต่ไม่ทำตามเรียกว่าไม่มีสัจจะบา ร, รมีมีอยู่สี่ข้อด้วยกันที่จะต้องไปรวมกันถึงจะทำให้เกิดผลสำเร็จขึ้นมาได้มีสัจจะตั้งตั้งเป้าหมายแล้ว มีอธิษฐานแล้วก็ต้องมีสัจจะความจริงใจไม่โกหกตัวเองอ่าจะรักษาศีลห้าพอถึงเวลาเพื่อนมาชวนกินเหล้าก็เปลี่ยนใจไม่รักษาแล้วอย่างนี้เรียกว่าไม่มีสัจจะมีความตั้งใจจะรักษาศีลห้าอยู่เช่นวันนี้วันพระจะรักษาศีลห้าวดี้เพื่อนชวนมาว่ามีมีเพื่อนเก่ามาหาชวนไปสังสรรค์กันหน่อยอ่ต้องไปกินเหล้า อย่างนี้ถ้าไปกินกับเขาก็แสดงว่าไม่มีสัจจะล้มเหลวสร้างเป้าแล้วก็ล้มเหลวแต่ถ้ามีสัจจะก็ปฏิเสธเข้าไปนอกจากมีสัจจะแล้วก็ต้องมีวิริยะตามมาค่อน ค, คือความภาคเพียรที่จะทําตามที่เราต้องที่เราตั้งใจไว้เราตั้งใจว่าจะรักษาศีลจะนั่งสมาธิคืนนี้เราก็ต้องมีวิริยะ ความเพยแล้วถ้ามันมีความยากลําบากเกิดขึ้นมาก็ต้องมีขันติดความอดทนเช่นบางทีจะนั่งสมาธิเพื่อนบ้านเปิดเสียงดังลั่นเปิดเพลงดังลั่น่านี้เราจะนั่งสมาธิก็ลําบากแต่ถ้ามีขันติก็อดทนแล้วก็นั่งต่อไปไม่ให้เสียงนั้นมาโน้มความตั้งใจของเราได้นี่แหละคือทำสี่ประการด้วยกัน ที่จะพาผู้ต้องการอะไรนี้สาเร็จทาได้สําเร็จเช่นพระพุทธเจ้าต้องนั่อยู่ใต้โคนต้นไม้ก็ตั้งสัจจะอธิษฐานครับ<ะ>ตั้งสัจจะอธิษฐานว่าจะนั่งอยู่ที่โคนต้นไม้นี้จนกว่าจะตัดสรุปถึงแม่เลือดในร่างกายจะเอือดแห้งไปก็จะไม่ยอมลุกจากที่นี่ไปถ้ายังไม่ตัดสรุป พอตั้งสัจจาที่ฐานแล้วก็วิริยะนั่งภาวนาไปทำความเพียรไปด้วยความอดทนนั่งถึงแม้จะเจ็บจะปวดร้ดแล้าวทั่วสพางกายก็ไม่ลุกนีอันนี้เรียกว่าสัจจาที่ฐานที่ที่ถูกต้องในความหมายทางธรรมแต่ทางโลกนี้ทางชาวบ้านนี้เขาคิดว่าเป็นการขอกันขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แต่วันนี้ถูกจะทันหวยตอนเช้าก็ขอแล้วขอให้ถูกหวยขอให้ถู ก, ใ, กใช่ถูกเช้าถูสองวันแลยอาจารย์ทำไหครับขอไม่ได้อ่ะถ้าจะเสาหวยต้องไปรู้ว่ารันวันจะรานวัลที่จะออก น, นี้คือเลข อ, อะไรต้องไปศึกษาค้นหาดูให้ได้ครับถ้ารู้ว่าเขาเขาจะออกเลขนี้อ่าอย่างนี้ก็ทันถูกได้ครับแต่อยู่ดีๆจะขอให้มันถูกเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นอกจากมันเป็นเหตุบังเอิญ พอดีแทงเลขนี้แล้วมันออกเลขนี้เท่านั้นเองเราว่าคงเข้าใจเป็นความหมายของคำอาธิฐานพระอาจารย์กระจ่างแล้วครับผครับผมกลาขอบคุณครับพระอาจารย์ครับเป็นคำถามจากท่านผู้ชมมากนะครับจากคุณสรันประกรณ์ครับกับาน้ำรสการค่ะหลวงพ่อและสวัสดีค่ะคุณหมออยากถามว่าเราเป็นผู้พิการทางสายตามองไม่เห็นเราจะเจริญอสุภกรรมฐานได้อย่างไรคะขอบคุณค่ะ อ, อ๋อไม่ยากหรอกเพราการเจริญสุภาพจริงๆนี่เราเจริญด้วยใจเราไม่ได้เจริญด้วยสายตาฉะนั้นเราก็ไม่ต้องดีตาเราก็เจริญได้เึียงแตนึกขึ้นมาว่าร่างกายนี้มันไม่สวยไม่งามถ้าเราตาบอดมาตั้งแต่เกิดแล้วก็นึกถึงส่วนที่เราสังเกตได้ด้วยทางจมูกก็กลิ่นก็ได้กลิ่นของร่างกายของคนเนี่มันก็ไม่สวยงามนะ มีสิ่งสกรกมีสิ่งปฏิกูลออกมาจากร่างกายไม่ต้องดูของคนอนื่นก็ได้ดูของเราเองก็ได้เวลาเราเข้าห้องน้ำนี่เรากั้นจมูกไว้หรือเปล่านั่นะมันก็สามารถเจริญได้โดยที่ไม่ต้องมีตาให้ใช้จิตจินตนาการไปคำถามจากคุณลงนุชครับอาจารย์ก่าบพระสการพระอาจารย์ค่ะ ขอทราบว่าบุญกับอนิสงต่างกันอย่างไรคะมีผลอย่างไรคะคำว่าอานิสงนี่แปลว่าผลผลที่เกิดจากการกระทำทำกรรมดีกรรมไม่ดีกรรมดีเรียกว่าบุญกรรมไม่ดีเรียกว่าบาปทำทำบุญก็จะได้อนิสงือได้ความสุขความเจริญทางจิตใจจิตใจจะสูงขึ้น ถ้าเป็นมนุษย์ก็จะสูงขึ้นไปสู่การเป็นเทวดาความสุขของมนุษย์ก็จะน้อยกว่าความสุขของเทวดาอันนี้ถ้าทำบาป ก, ก็จะตกต่ำจากมนุษย์ลงไปสู่การเป็นเดรัจฉานเป็นสัตว์เดรัจฉานเศรษฐาชานี้ก็มีความทุกข์มากกว่าการเป็นมนุษย์อั น, นิี้สมคือผลที่เกิดจากการทำบุญทำบาป พอจะเข้าใจนะประมาณนี้สองนี่ครับจากคุณทิติมาครับกาลนพสกา ร, การเจ้าคะก่อนนั่งปฏิบัติธรรมได้ตั้งจิตอธิษฐานแต่เมื่อปฏิบัติจิตกับฟุ้งซ่านจนทําให้จิตเกิดโทสะก็ตามดูจิตจนหนุดหงิดทลไม่ไหวต่อกิเลสต้องออกจากนั่งสมาธิกลับเรียนขอคําแนะนําจะหาทางแก้ไขยอย่างไรเจ้าคะก่อนนั่งไม่ถูกนั่นเองวิธีที่จะทําให้ใจไม่ฟุ้งซ่านต้องมีสติกํากับใจด้วย กรรมาฐานอย่างใดอย่างหนึง่งเช่นการบริกรรมพุทธโธพุทธโธพุทธโธไปเรือการสวดมนต์ไปเรื่อยๆก็ได้ถ้ายังไม่สามารถดูลมหายใจเข้าออกได้ก็ใช้การสวดมนต์ไปก่อนหรือใช้การท่องพุทธโธพุทธโธไปก่อนจนกว่าใจจะรู้สึกหายฟุ้งซ่านแล้วก็มาดูลมหายใจต่อ คำถามจากคุณราเลนครับเคยอธิษฐานในคืนพระจันารย์เต็มดวงถึงสิ่งที่อยากได้แล้วก็ได้จริงๆเป็นความจริงหรือว่าเรื่องบังเอิญคะขอบพกคุณคับพระอาจารย์ก็ลองดูว่าเป็นได้ทุกครั้งรึเปล่าต้องพิสูจน์นะแล้วเราก็ไม่อยากจะว่าบอกเป็นเรื่องบันเอิญลองเอาสักสิบครั้งดูเก็บสถิติดูอธิษฐานสิบครั้งได้กี่ครั้งแทงเอาไว้สิบครั้งถูกกี่ครั้งอะไรนี้ก็ได้จะได้เริ่มจะได้เล่นต่อเรื่องเรยๆดี ถ้าแทงสิบครั้งขาดทุนก็อย่าไปเล่นดีกว่าคนเราเล่นหวยไม่คิดว่าเป็นการลงทุนควรจะคิดว่าเป็นการลงทุนควรจะเก็บสถิติไว้ว่าจ่ายเท่าไหร่แล้รับเท่าไหร่ถ้าจ่ายมากกว่ารับก็เล่าเล่นดีกว่าขาดทุนยังไเหมือนการดําเนินกิจการต่างๆเขาก็มีรายรับรายจย่ายมีบัญชีถ้าทําไปแล้วขาดทุนทําไปทําไมให้เสียเวลาให้เหนื่อยเปล่า ทำแล้วมันต้องกำไรอันนี้กำไรกันถ้าถ้าจะอธิษฐานอะไรก็ดูซิว่ามันได้ได้ได้กี่ครั้งไม่ได้กี่ครั้งเราจะได้รู้ว่าเราแม่นความอาธิษฐานของเราแม่นหรือไม่แม่นถ้าถ้าอาธิษฐานขอได้จริงๆก็ไม่ต้องไปทำอะไรไม่ต้องไปเรียนหมอให้เสียเวลาเราไปอธิษฐานก็ขอเป็นหมอดูเลยเราไม่ต้องไปเรียนเป็นหมอจะได้เป็นหมอหป่า ไม่ได้ครับคำถามจากคุณฟิโอนาแอนด์ดิแคนนะครับเวลานั่งสมาธิท่องคำบริกรรมพุทโธจิตเหมือนตกดิ่งตกเหวแล้วสักพักก็นิ่งต่อจากนั้นให้อยู่การนิ่งเฉยสักแต่ว่ารู้ใช่ไหมคะใช่ให้มีสติประคับประคอมจิตไว้อ ย, ย่าให้ขึ้นปรุงแต่งให้นิ่งไปนานๆเพราะนั่นแหละคือความสุขที่แท้จริงนี่พุทธเจ้าทรงตรว่านัตติสันติบาลังสุ ข, ขงัง สุขที่เดียวกว่าความสงบนี้ไม่มีอันนี้แหละคือความสุขที่แทจ้จริงเพราะเป็นความสุขที่ปราศจากความทุกข์คาถามจะาคุณเก็บไว้กลางหัวใจครับการกรรมพิสการพระอาจารย์ปฏิบัติอย่างไรถึงจะได้อภิญญาเหมือนครูบ า, าอาจารย์เช่นหลวงตา ม, มหาบัวครับคือเราต้องเข้าใจคำว่าอิญญานะอภิญญานี้เป็นธรรมวิเศษพิเศษเฉพาะบุคคลบางคนไม่ได้ ไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนที่ปฏิบัติธรรมอภิญญาก็คือมีความสามารถในทางด้านอินทริปาติหานเช่นสามารถติดต่อผู้กายทิพได้สามารถระลึกชาติได้สามารถอ่านจิตใจของผู้อื่นได้อย่างนี้เรียกว่าอภิญญาเป็นคนพลอยได้จากการปฏิบัติธรรมสาหรับบางคนไม่ใช่ทุกคน บางคนก็ไม่มีวาสนาก็จะไม่เกิดอภิญญาแต่ก็ไม่เป็นประเด็นที่สําคัญเพราะอภิญญานี้ไม่สามารถทําให้ผู้ปฏิบัติหนุดพ้นจากความทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ไม่สามารถทําให้ผู้ปฏิบัติไปถึงนิพพานได้อภิญญานี้เป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นต่อผู้ปฏิบททัติธรรมผู้ปฏิบัติต้องการ ปัญญาคือมีดวงตาเห็นธรรมเห็นอริยสัจ ส, สีเห็นใจนะแต่ไม่จาเป็นจะต้องเห็นกายทิพย์ไม่ต้องเห็นชาติก่อนๆที่ผ่านมาแล้วหรือเห็นความคิดของผู้อื่นอันนี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่จะทำให้หลุดพ้นจากการเมินว่าตาเกิดได้ คำถามจากคุณยศิษิแ์แดนเพงเซ้งนะครับอยากฝากถามพระอาจารย์ว่าพระอริยเจ้าตั้งแต่ชั้นโสดาบันขึ้นไปอัฐิจะกลายเป็นพระาธาตุไหมหรือต้องเป็นชั้นอรหันต์เท่านั้นถึงอัฐิจะเป็นพระาธาตุครับผมเท่าที่ได้ยินได้ฟังมาก็ต้องเป็นพระอาหารหันต์เท่านั้นเพราะเป็นจิตที่สะอาดบร100ิสุดน้อยเปอซ็ปรญญาศจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองต่างๆเพราะว่า การที่กระดูกจะกลายเป็นพระธาตุนี้ต้องอาศัยจิตที่สะอาดบริสุทธิ์เป็นผู้ซักฟอกถ้าจิตยังไม่สาดบริสุทธิ์ยังมีกิเลสผสมอยู่ด้วยก็จะไม่สามารถซักฟอกอัฐิให้กลายเป็นพระธาตุได้คํถาถามจากคุณเยวาวภาครับตอนใส่บาตรเราอุทิศให้คนตายเจ้าการรมในเวรแล้วและขอให้คนที่มีชีวิตอยู่มีความสุขด้วยได้ไหมเจ้าคะ คือบุญนี้เราอุทิศให้กับผู้ร้องรับเท่านั้นคนที่มีชีวิตอยู่เราก็ให้ความบารถนาดีเขาได้หรือจะให้เขามีความสุขจากการกระทาของเราเราก็ต้องทำอะไรอย่างใดนงเช่นซื้ออาหารอีกชุดหนึ่งไปให้ไปฝากเขาอย่างนี้ก็จะทำให้เขามีความสุขแต่ถ้าเพียงแต่จะมาคิดเฉยๆขอให้เขามีความสุขจากการใส่บายของเรานี้เขาไม่ได้รับเรา คำถามจะคุณภัยวันครับนำ้ำพสการเจ้าค่ะเรียนถามเจ้าขานโยมป่วยติดเตียงเจ้าค่ะนั่งสวดมนต์ไม่ได้นอนสวดจะบาปไหมเจ้าคะได้บาปเลยขอให้อย่าหลับเท่านั้นเองพยายามประครับประครองสติให้อย่าปล่อยให้จิตหลับพอหลับนั่นก็ถือว่าทําได้เท่านั้นเองถ้าอยากทําได้มากๆก็ต้องพยายามประครับประครองอย่าให้จิตหลับคํถาถามจะคุ ณ, ณนัตยาครับ ทำทานรักษาศีลห้าสม่ำเสมอแต่ทำสมาธิไม่ได้ปิดอบายได้หรือไม่คะออแล้วแต่ว่ารักษาศีลอยู่เรานีออ่มากน้อยก่อการไม่รักษาศีลถ้าทำบาปน้อยกว่าการไม่ทำบาปโอกาสที่จะไปอบายก็ยากแต่ก็ยังมีโอกาสเพราะยังมีการทาบาปอยู่นั่นเอง ถ้าไม่จะเป็นอบายนี้ต้องรักษาศีนห้าได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นตอย่างพระโสดาบานันนี่ท่านจะรักษาศีนห้ายิ่งกว่าชีวิตของท่านถ้าท่านต้องเลือกระหว่างรักษาศีลห้ากับรักษาชีวิตของท่านท่านจะรักษาศีลห้าแทนถ้ารักษาแบบนี้ก็จะไม่ไปอบายต้องรักษาให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์คำถามจะคุณจ่าเฉยครับ ตอนเราทําสมาธิสักพักหนึ่งในปากเราจะมีน้ําลายเยอะเรื่อยๆ เ, เรากลือนได้ไหมครับไม่ได้หรอก ค, คือถ้ากลือนแล้วเราก็เหมือนกับเรากลับมาเริ่มต้นใหม่การภาวนาเราก็จะไม่ก้าวห น, น้าในเวลาเราภาวนานี้อย่าไปสนใจกับอะไรเช่นน้ําลายหรือคันตรงนั้นคันตรงนี้อย่าไปเกาปล่อยให้มันคันไปปล่อยให้น้ําลายมันไหลไปอย่าไปสนใจขอให้อยู่กับการภาวนา ถ้าดูลงก็ดูลงไปอย่างเดียวถ้าพุโทโธก็พุโทโธไปอย่างเดียวแล้วจิตก็จะไปสู่ความสงบได้ถ้ากลับมาคอยเกลือนน้ําลายแล้วกลับมาคอยเก่าที่นั่นเก่าที่นี่ก็เหมือนกลับมาเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นที่สูงใหม่ก็จะไปไม่ถึงไหนคํถาถามจะคุณมีดโบราณครับ เวลาภาวนารู้สึกแน่นกระชับเข้ามาบริเวณคางรู้สึกหนักหนักหน่วงอันนี้คือภาวนาผิดไหมครับต้องแก้ยังไงครับกอุญาครับไม่ผิดหรอกมันเป็นเรื่องของจิตของเรามันมีบางครั้งมันก็มีปฏิกิริยาต่างๆกันบางคนก็แน่นที่จมูกแน่นที่หน้าผากบางคนก็คันตรงนั้นคันตรงนี้อย่าไปสนใจะขอให้เราตั้ง ให้สนใจอยู่กับการภาวนาอยู่กับคําบริกรรมพุโทโธหรืออยู่กับการดูลงไปอย่าไปสนใจกับอาการต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาในทางที่ทําสมาธิถ้าเราไปสนใจเราก็จะไม่ได้ภาวนาและเราก็จะไม่สามารถเจริญก้าวหน้าต่อไปได้ก็เหมือนกลับมาเริ่มต้นเหมือนกับเกือ น, น้ํำลาย คำ ถ, ถามจะคุณทอสครับกับถาหลวงพ่อครับที่ว่านั่งสมาธิและสวดมนต์ไปด้วยพอเลยชั่วโมงแรกไปสวดถูกบ้างผิดบ้างจะบาปไหมครับอ๋อไม่บาปแต่จะไม่ค่อยได้ผลเพราะว่าแสดงว่าไม่มีสติต้องสวดให้ถูกเพราะว่าสตินี้เป็นผู้กำกับถ้าผิดบ้างถูกบ้างก็แสดงว่าสติไม่ยึดไม่ต่อเนื่องเวลามีสติก็ถูกเวลาไม่มีสติก็ผิด ก็จะไม่ได้สติเต็มร้อยผลก็จะไม่ได้เต็มร้อยแต่ไม่บาปคำถามจากคุณดรีมมี่ครับการมรดการขา่ดใส่บาททุกเช้าจำเป็นต้องกวดน้ำด้วยทุกครั้งไหมคะคือเวลาใส่บาทรเสียจนี้เราจะมีบุญเกิดขึ้นมาในใจคือความอิ่มใจสุขใจเราสามารถแบ่งบุญนี้ให้กับผู้ที่ร่วรับไปแล้วได้ถ้าเราอยากจะแบ่งไป ถ้าเราไม่รู้จะแบ่งให้ใครเราไม่กดน้ำก็ได้ถ้าเรารู้เราอยากจะแบ่งบุญนี้ให้กับคนที่เรารู้จักที่ตายไปแล้วก็อุทิศไปจะใช้การกดน้ำก็ได้หรือใช้การระลึกภายในใจก็ได้ถือว่าเป็นการอุทิศเหมือนกันอุทิศโดยไม่ต้องใช้น้ำก็ได้ด้วยการระลึกภายในใจว่าเขาเทศส่วนบุญ น, นี้ให้กับบุคคลนั้นบุญ น, นี้นที่ล่วงลับไปแล้วก็ได้ หรืออยากจะใช้กวดน้ำใช้น้ำปวดก็ได้ได้เหมือนกันคําถามจากคุณแมรี่วังครับการนันทสการพระอาจารย์รบกวนสอบถามค่ะพยายามบริกรรมพุโทโธและสวดมนต์แต่ความคิดออกนอกตัวตลอดรบกวนแนะนําแนวทางอย่างง่ายด้วยค่ะขอบคุณครับก็ง่ายแล้วละเพียงแต่ว่าอย่าเพิ่งไปหวังผลทันทนะีการบริกรรมพุโทโธใหม่ๆและสวดมนต์ใหม่ๆนี้มันก็ยังจะมั่งดีไปคิดเัืงนั้นเรื่องนี้ เราก็เพียรอยามสวดไปเพียรยามบริกรรมพุโทโธไปเรื่ยอยๆอาจจะต้องใช้เวลานานครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหรือสองชั่วโมงแล้วแต่ขอให้เราทำไปอย่าหยุดเท่ากันแล้วเดี๋ยวความคิดต่างๆมันก็จะลดน้อยถอยลงไปได้หยุดไปในที่สุดได้จากคุณจุธา ม, มาครับ าการเพียนถามหลวงพ่อค่ะสมาธิหัวต้อหมายถึงอะไรคะก็หมายถึงหัวตอนหัวต่อครับผมนี่เรากาหมายถึงแบบนั่งหัวต่อคือนั่งนิ่งแต่ใจที่หลับไปไม่มีสติก็เรียกสมาธิหัวต่ อ, อคือนั่งแบบไม่มีสตินั่งแล้วหลับ<อ>นั่งแล้วคอพับนี้สมาธิหัวต่อ จากมิสเตอร์ดำรงครับขอสอบถามพระอาจารย์เพ่งอสุภกรรมฐานานานแล้วจิตเกิดสภาวะเหมือนระเบิดออกแต่ไม่หนีไม่ตกใจดูความจริงแล้วโล่งไปหมดเหมือนอวกาศอย่างนี้สมควรนั่งอสุภกรรมฐานไหมครับถ้จาได้ผลอย่างนี้ก็โอเคก็ถือว่าการใช้อสุภานี้เป็นอารมณ์ที่จะทำให้ใจเราเข้าสู่ความโล่งความเป็นอวกาศได้ก็ปฏิบัติแบบนี้ไปเรื่อยๆก็ได้ จะคุณเป็นจาดวงมาลาครับกล่าวนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะทํากับข้าวใส่บาตในเวลาทําเราชิมรสชาติแบบนี้บาตรไหมคะไม่บาตรหรอกถ้าไม่ชิมเดี๋ยวเช็งไปพักก็อย่งนี้จะถือว่าบาตมากกว่าที่ <c oughs> แล้วก็ต้องมาชิมก่อนให้มันรสบมันถู ก, ก่อนเนีไม่บาตรหรอกก็เป็นการมันเป็นเรื่องธรรมดาของการปรุงอาหา ร, รทุกคนก็ต้องรู้ว่าอาหารที่เราปรุงนั้นเปรี้ยวหวานมันเค็มขนาดไหน ถ้าไม่ชิมเดี๋ยวเปี้ยวไปเรือเผ็ดไปหรือเค็ม ไ, ไ, ไปนี่มันก็จะทำให้อาหารเราไม่น่ารับประทานถ้าอาจจะฉันด้นม้อคำสองคำแล้วก็อาจจะหยุดฉันก็ได้คำถามจากคุณนัถาครับนั่งสมาธิแต่ใจมีหลุดคิดไปเรื่องนู่นนี่ตลอดจะทำอย่างไรให้นิ่งกับสมาธิได้คะต้องหมันพยายามเจริญสติก่อนที่จะมานั่งและเวลานั่งก็ต้อง ถ้าดูลมหรืออะไรแล้วมันหนีเป็นก็ต้องใช้การสวดมนต์หรือใช้การอะไรกับดึงเอาไว้ก่อนเพงกว่ามันจะไม่หนีแล้วถึงพ่อยกลับมาดูลหมหายใจต่อคําถามจากคุณสุภกรครับเราแผ่เมตตาไม่ได้สวดมนต์เราเอ่ยชื่อเขาจะได้รับผลบุญไหมครับไม่ได้หรอกเพราะว่าการแผ่เมตตานี่เป็นการกระทําที่เราต้องแผ่ด้วยการกระทํา ไม่ใช่มานั่งคิดอยู่คนเดียวขอให้เขามีความสุขถ้าเราอยากจะให้เขามีความสุขเราก็ซื้อของขวัญไปให้เขาสักชิ้นก็รู้ว่าเขาชอบอะไรซื้อสิ่งที่เขาชอบไปให้เขานี่เราก็จะเกิดความสุขขึ้นต้องต้องแผ่ด้วยการกระทำไม่ใช่แผ่ด้วยการสวดมนต์อันนี้ไม่สามารถแผ่ใช้แผ่เมตตาได้คำถามจากคุณเรนี่ครับ สวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนจบแล้วควรจะอธิษฐานว่าอย่างไรดีคะก็นอนซะสิต่อไปนี้ก็ขอให้นอนหลับนะคำถามาจากคุณวิทยาครับถ้าขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเขาจะช่วยได้ไหมครับถ้าช่วยได้เราก็ไม่ต้องทําอะไรกันเลยเนี่ยครับคนทั้ ง, ท, งทั้งโลกขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยกําจัดอโควิดสิบเก้าให้หมดไปจากโลกนี้ได้ไหมละ่ะ ก่ด้านก็ดีเลยนะครับผมจากคุณกรศิริครับกาวธรรมัิสกา ร, กรพระอาจารย์เรียนถามค่ะในสถานการณ์ช่วงนี้ควรปฏิบัติอย่างไรทำจิตอย่างไรคะทำจิตให้เป็นโมเด็กละท่านสิเฉยๆอยากเป็นทุกร้อนเดือดร้อนกับเหตุการณ์ต่งางๆที่เกิดขึ้นทำอะไรได้ก็ทำไปทำอะไรไม่ได้ก็ทำใจรับข้ามันไปเท่านั้นเองใจก็จะไม่ทุกข์ใจก็จะไม่เดือดร้อ คำถามสกุลนาปยาครับผู้ที่หมดกิเลสแล้วแต่เป็นคารวาสมีไหมคะแล้วจะมีลักษณะอย่างไรก็มีเหมือนกับคนที่เป็นพระนะว่าจิตใจมันเหมือนกันจิตใจมันไม่ได้ต่างกันจากการเป็นพระหรืเป็นคารวาสแต่อย่างไรจิตใจของผู้ที่เส้นกิเลสก็คือปราศจากความโลภโกรธหลงจะอยู่ในเพศของพระก็ได้จะอยู่ในเพศของคารวาสก็ได้ เช่นพ่อของพระพุทธเจ้าก็บรรลุปเป็นพระหลังเจดวันก่อนตายจิตของท่านก็ดุจพ้นไม่มีกิเลสตัณหาหลงเหลืออยู่ภายในใจแสดงว่าก็ยังมีอยู่ใช่ไหมครับอาจารย์ที่เป็นไม่ได้บวชแต่ถ้าหมดกิเลสก็ไม่ได้ทําสํารวจแล้วไม่กล้าตอบเราก็ไม่รู้ว่าแต่เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไม่ว่าจะเป็นนักบวชหรือเป็นฆร า, าวาถ้าปฏิบัติธรรมถึงขั้นนั้น ถ้าหมายจะเรียนเรียนหนังสนะือเนี่ยคนจะเรียนหนังสือจะเป็นเด็กอายุท่านนา้นท่เนนี้หรือจะเป็นผู้ใหญ่อายุห้าสิบกสิบเป็นเรีก็สามารถเรียนจบได้ถ้าทําตามหลักสูตรเรียนตามหลักสูตรแล้วสอบผ่านได้ก็ก็จบได้ฉันใดจิตก็เหมือนกันจิตของาราวาจิตของพระก็ถ้าปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาได้เต็มร้อยก็ทําให้กิเลสหมดได้บรรลุธรรมได้เช่นเดียวกัน แล้วก็ไม่ได้ตายถ้าไม่ได้บวชบางคนเข้าใจผิดคิดว่าพอเป็นถ้าเป็นคาลวาแล้วพอบรรลุเป็นพระอารหันต์แล้วเส้นกิเลสแล้วถ้าไม่ไปบวชภายในเจ็ดวันก็จะต้องเสียชีวิตอันนี้เป็นความคิดที่คิดกันไปเองอาจจะเป็นเพราะว่ามีเรื่องสองกรณีกรณีพระพระบิปุนาของพระพุทธเจ้าก็บรรลุเป็นพระอารหรันต์เจ็ดวันก่อนตายก็เลยคิดว่าเนี่ย อาบรรลุแล้ไม่ได้บวชก็เลยตายภายในเจวันแต่ความจริงท่านประชวนอยู่แล้วท่านใกล้ตายอยู่แล้วแล้วพระพุทธเจ้าไปโปรดแสดงธรรมให้ที่ข้างเตียดอีกกรณีห น, นึน่งก็คือรู้สึกจะชื่อภาหยะที่ไปาถามคำถามพระพุทธเจ้าในขณะที่ทรงบินสบายเราก็พระุทธเจ้าก็ตอบสั้นๆว่าให้สักแต่ว่ารู้ให้สักแต่ว่าเห็นให้สักแต่ว่าได้ยิน เขาก็บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็ขออนุ ญ, ญาตพระพุทธเจ้าจะไปเตรียมัฐบริขารเพื่อมาขอบวชระหว่างทางไปถูกกระทิมขิดตายซะก่อนก็เลยไม่ได้บวชพอซาพอพอเริ่มมาถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็บอกว่าให้ทําชาปน ก, กิจแล้ให้เก็บอัฐิเขาให้ในสถุกสร้างสถูกเพื่อเก็บอัฐิแสดงว่าได้บรรลุเป็นพรนนะพอรหันต์แล้วเพราะสมัยนั้น ผู้ที่จะเอาอธิมัญจูไว้ในสถูปนี้ต้องเป็นพาาระอรหันต์หรือพระทธเจ้หรือพระมาหากษัตริย์เท่านั้นยังไม่ต้องกลัวถ้าเป็นคาววะแล้วสิ้นกิหลสแล้วจะถ้าไม่ได้ดุแล้วจะตายคามจีก็บวชใจแล้วเพราะเป็นพระแล้วเนี่ยเป็นพระอรหันต์แล้วครับไม่ต้องบวชกายกายไม่เกี่ยว คำถามจ้าคุณธรรมดาครับกลับเดินถามอาจารย์ว่าการที่เรานํากระดูกของวะผู้วายชนไปโปรยลงน้ําจะจำเป็นต้องมีพระไปด้วยไหมคะไม่จําเป็นหรอกแต่ว่าอะไรก็ขังไม่หมดถ้าไม่ถ้าไม่มีพระแล้วมันไม่ขังนะก็เลยต้องมีพระนันกระท่าเวลาเกิดอุบัติเหตุก็ต้องเอาพระไปเอาศพจากที่อุบัติเหตุไปไปไ ป, ไปวัดนี่มันไม่จําเป็นหรอกเพียงแต่เป็นความเชื่อท่านเองว่าเป็นมงคล จะมีพ่างทาด้วยมีคําถามจากคุณวีแครครับนัำพัสการครับผมทํางานซ้ําๆเดิมๆในหัวไม่ได้คิดเรื่องอะไรเลยจดจ่อแต่งานที่อยู่ตรงหน้าแบบนี้ถือเป็นสมาธิอย่างหนึ่งไหมครับเป็นแต่มันไม่ได้เป็นสมาธิที่ทําให้ใจเราสงบเน่งได้เพราะเรายังต้องใช้ความคิดอยู่ยกับงานที่เราทำอยู่ถ้าอยากจะให้มันสงบเน่งได้มี สติอยู่กับลมหายใจเข้าออกเพียงอเดียวโดยที่ไม่ไปคิดอะไรเลยเพียงแต่ให้รู้เฉยๆรู้ว่าลมเข้าลมออกแค่ น, นี้อันนี้หลักสูตเรียกว่าเป็นสมาธิที่ที่แท้จริงคําถามจากคุณส้มเขียวหวานครับกราบเรียนถ้าพเาจ้าสารสวดมนต์ควรอธิษฐานอย่างไรเพื่อส่งผลให้คุณแม่ที่เจ็บไข้ได้ป่วยได้รับบุญไปด้วยคะไม่ได้หรอกบุญนี้เป็นของใครของมันบุญที่กิจากการปฏิบัตินี้เป็นของใครของมัน แบ่งกันให้ไม่ได้ถ้าได้เราก็ไม่ต้องสวดเลยฝากเพื่อนให้คุณช่วยสวดให้กูหน่อยนะวันนี้กูจะไปกินเหล้า ไ, <ด> <laughs> ไม่ได้เลย<ด><ๆ>การปฏิบัตินี้เป็นบุญของใครบุญของมันเพียงแต่ว่าเรื่องการทําบุญทําทานนี่มีมีความความวิเศษสามารถแบ่งบุญได้ให้กับผู้ที่ร่วมรับไปแล้วได้คําถามจากุณแดงน้อยครับ บริจาคโลหิตเป็นประจำแต่ไม่เคยใส่บาตเลยถือว่าทําบุญผิดวิธีไหมคะก็เป็นวิธีหนึ่งที่เราสามารถทําได้คือการเสียสละแบ่งปันของที่เป็นของเราเช่นข้าวของเงินทองนี้สมมติเรามีรถยนต์เก่านี้เราจะบอ่อยจาคให้คนให้เพื่อนไปนี้ก็ถือว่าเป็นการทําบุญนกันเรามีเลือดเราว่าบริจาคเลือดไปก็ได้เรามีไตบริจาคไตให้เพื่อนไปให้พ่อให้พี่ใหน้องไปก็ได้ อันนี้ก็ถือว่าเป็นการทำดูทาทานอย่างคุณลมชลีครับขณะขับรถไปทํางานตอนเช้าสวดมนต์ทำวัดเช้าไปด้วยได้ไหมคะก็ต้องระวังเดี๋ยวถ้าไม่มีสติอยู่ตอนขับรถยนต์เดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุไดนะ้เนื่ถ้าเราทําอะไรอยู่นี่ควรมีสติอยู่กับนาที่เราทําจะดีกว่ า, าขับรถได้มีสติอยู่กับการขับรถเพราะถ้าเราไปสวดมนต์ด้วยเดี๋ยวมัน เวลาเกิดอุบัติเกิดอะไรกระทันหันนี้อาจจะแก้ไม่ทันเพราะเรามัวไปอยู่กับการสวดมนต์จะให้สู้เพื่อความปลอดภัยทําอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งดีกว่าเช่นขับรถนี่ก็ให้อยู่กับการขับรถเพียงอย่างเดียวดีกว่าจากคนที่ติมาครับการอธิษฐานจิตว่าขอมีปัญญาขอให้พ้นทุกภพพระนิพพานถือว่าเป็นกิเลสความอยากหมาเจ้าคะ และควรจะอธิษฐานอย่างไรเจ้าคะคืออย่างที่พูดนะว่าการขอในศาสนาไม่มีอธิษฐานไม่ใช่แปลว่าขออธิษฐานคือเป็นการตั้งเป้าหมายเช่นเราต้องการมีปัญญาเราก็ตั้งเป้าหมายว่าอยากจะมีปัญญาต้องการมีปัญญาแล้วเราก็ต้องรู้ว่าการมีปัญญาจะเกิดขึ้นได้อย่างไรทางศาสนาท่านก็สอนว่าทางปัญญาของศาสนานี้มีสาม ร, ระดับด้วยกัน ขั้นที่หนึ่งการแห่เกิดปัญญาก็คือการได้ยินได้ฟังจากผู้รู้อันนี้เรียกว่าสุตตะมยะปัญญาหรือเหมือนกับการเรียนหนังสือตามโรงเรียนต่างๆนี่ก็ถือว่าเป็นการเรียนเพื่อให้เกิดปัญญาอย่างหนึ่งทางธรรมก็เหมือนกันต้องเรียนต้องเรียนธรรมะจากการอา่านหนังสือธรรมะก็ได้จากการฟังเทศน์ฟังธรรมในตอนนี้ก็ได้เนตอนนี้ถ้ากำลังกําลังเรียนธรรมะกําลังเจริญสุตตะมยะปัญญา ปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้รับปัญญาขั้นที่สองที่จะทำให้เกิดขึ้นก็คือจินตามยะปัญญาปัญญาที่เกิดจากการค่ายค่ยควรนึกคิดตามหลักเหตุผลต่างๆอันนี้ก็ทำให้เกิดปัญญาขึ้นมาได้หรือเอาปัญญาที่เราได้ยินได้ฟังมานี้มาคิดทบทวนก็ได้เพื่อกำหนเพื่อให้เกิดความเข้าใจลึกซึ้งมากขึ้นไปก็ได้ อันนี้ก็เป็นการทำให้เกิดปัญญาระดับที่สองและปัญญาระดับที่สามนี้คือเรียกว่าภาวนาไมยปัญญาปัญญานี้จะต้องเป็นปัญญาที่มีการภาวนา ม, มาสนับสนุนคือความคิดหรือปัญญาที่เราได้จากการเรียนรู้จากการคิดนี้ยังไม่มีกำลังพอที่จะามาใช้ในการกำจัดกิเลสที่มีอยู่ภายในใจได้ จำเป็นต้องไปฝึกสมถะภาวนาให้ได้อุเบกขาได้ได้ฌานจบพอได้อุเบกขาแล้วก็เอาจิตที่มีฌานนี้มีอุเบกขานี้มาใช้กับปัญญาที่ได้ศึกษามาก็จะเป็นภาวนาไมยปัญญาขึ้นมาแล้วสามารถที่จะตัดกิเลสตัดความโลภความโกรธความหลงได้อย่างง่ายดา น, นี่คือสาวิธีที่ทําให้เกิดปัญญา อยากจะเกิดปัญญากด้ที่ฐานมากตอนนี้จะขอตั้งใจฟังทำอยู่เรื่อยๆจะคิดใค่ายควรในเรื่องของทำอยู่เรื่อยๆแจะไปฝึกสมาธิเพื่อให้เกิดปัญญาเพื่อให้เกิดสมาเพื่อให้เกิดความสงบเกิดอุเบกขาเพื่อที่จะได้เอาปัญญาที่ได้จากการได้ยินได้ฟังนี้เรื่อการค่ายควรนี้มาใช้ในการตัดกิเลสต่อไปต้องมีการกระทําแต่ตั้งเป้ามาตั้งตั้งเป้าอยู่ที่การกระทำ ถ้าไม่ทํามันก็จะไม่เกิดปัญญาเหล่านี้ขึ้นมาคําถามจากคุณอนัญ ญ, ญาครับการหลวงพ่สการพระอาจารย์สุชาติการเรียนถามว่าถ้าเรากําลังจะตายจิตเราอยู่กับลมหายใจและพิจารณาถึงความว่างความไม่มีอะไรแล้วเราจะไปสู่ภพภูมิไหนคะก็อยู่ที่ว่าเราทําได้หรือไม่ได้ขณะที่เราเป็นอยู่กระดนี้เราทําได้หรือไม่ถ้าเราสามารถทำํำจิตให้ว่างทําให้สงบได้ก็ไปสู่ชั้นระดับพรหม จิตเป็นสมาธิเป็นฌานขึ้นมาแต่ยังไปไม่ถึงนิพพานเพราะยังไม่ได้ตัดกิเลสจะตัดกิเลสต้องพิจารณาปล่อยวางอ่สภาวะธรรมทั้งปวงว่าเป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขงั ง, งอนัตตาเกิปล่อยวางร่างกายปล่อยวางเวทนาแล้วปล่อยวางอารมณ์ต่างๆที่มีพัญญาใให้หมดสิ้นไปได้ถึงจะไปนิพพาน้ ถาว่างเฉยไปแค่ผมนะครับอาารก็เป็นเหมือนทำสมาธิแล้วเข้าฌานไปเข้าฌานอย่ า, ยางก็จ ะ, จะไปสู่ระดับพรห ม, มโลกถ้ารูปฌากนปปาาาก็อยู่ในรูปรูปภพถ้าได้ารูปฌานก็อยู่ในรูปในเนี้ยเป็นอรูปภปพไปมีสองระดับด้วยรับแต่ยังต้องกลับมาเงินไหวตายเกิดต่เดี๋ยวพอฌานเสื่อมลงก็กลับมาเกิดใหม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ครับผม จากคุณมนทิราครับธรัมกศกาสตรพระอาจารย์ขณะเรานอนหลับเป็นการรักษาสี่ห้าไหมคะไม่ได้รักษารหรอกเพาไม่มีสติไม่รู้อะไรเลยครับจากคุณชนะนันครับเวลาทําสมาธิแล้วรู้สึกเหมือนตกจากที่สูงเกิดอาการหวิวตลอดจนตัวสั่นบ้างเกิดจากอะไรครับก็เป็นลักษณะของจิตที่จะเข้าสู่ความสงบมันจะมักจะเป็นอย่างนั้นขอให้มีสติรู้เฉยๆไม่ต้องไปตื่นเต้นตกใจ แต่เดี๋ยวมันก็จะพอมันตกลงมานล้มันก็จะรู้สึกนิ่งสบสบายบางคนกลัวก็เลิกไปสะก่อนครับคำถามกุลพัชรมนคลครับอาจารย์คะหนูนั่งสมาธิเห็นภาพผู้หญิงเข้ามาเดินให้แป๊บหนึ่งหมายความว่าอะไรหรือคะหมายความว่าไม่มีสติอยู่กับ อ, อารมณ์ที่เราใช้กำหนดจิตนั่นเองต้องกลับมาที่อารมณ์เช่นกลับมาดูลมหายใจแล้วกลับมาพุโทโธพุโทโธ อย่ไปดูสิ่งที่ปรากฏขึ้นมานขณะที่เราทำสมาธิเพราะจะทำให้จิตของเราไม่เข้าสู่ความสงมบได้จากคุณฝันวานครับถ้าเราใส่บาทนำบุญให้กับคนมีชีวิตไม่ได้เวลาเราไหว้พระพุทธอธิษฐานให้ได้ไหมเจ้าค ะ, ะอาจารย์ไม่ได้ทั้งนั้นนะถ้าได้ก็ไม่ต้องคนไม่ต้องทำอะไรน้อยคนอื่นไหว้พระอธิษฐานให้เรานะพระเจ้าสอนว่าอัตตาหิอัตโนานาโถ มันเป็นที่เพึ่งของตนต้องทําเองต้องการอะไรต้องทําเองทํางธรรมต้องการบุญต้องการกุศลต้องการอะไรนะี่ต้องปฏิบัติทำเองสร้างบุญสร้างกุศลเองไม่ใช่จะให้คนอื่น เ, เข้าม า, ามาอธิษฐานรับสงมาให้หรอมันสงกันให้กันเป็นได้ของพวกนี้มีจากผู้ไม่ประสองค์ออกนามครับเขาถามสองข้อครับอาจารย์สิ่ง ข้อที่หนึ่งสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้าไม่ใช่สิ่งที่ควรยึดไว้หรือสนใจใช่หรือไม่เจ้าคะคือเมันก็เห็นล่วงหน้าถ้า ร, ร, รู้ไว้ใช่ว่าใส่บาตแบกหางก็ให้รู้ใช้ใช้ไปแล้วก็ไม่ต้องไปวิตกกั ง, ไไงวลไม่ต้องมีปฏิกิริยากับสิ่งที่เรารู้แล้วดูว่ามันจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่แล้วเราจะได้เก็บสถิติไว้ว่าเราแม่นไม่แม่นถามคนว่าหวยวันวันนี้จะออกอะไร แล้วก็ลองดูว่าตรงกันไหมถ้าตรงทันก็ลองเก็บสติไว้แล้วมวนหน้าก็ดูใหม่ดูไปเรื่อยให้รู้เฉยๆนันเองเพื่อเพืจะได้เป็นการทดสอบดูว่าสิ่งที่เราความสามารถของเรานี่แม่นหรือไม่แม่นเหมือนกับที่เวลาเข้ายิงปืนเนี่ยเขาก็ดูว่ามันเข้าเป้ากี่กี่กี่กี่ครั้ง อันนี้ก็เป็นการดูว่าความความความแน่นอนของฝีมือเราเป็นยังไงคําถามที่สองเขาถามว่าถ้าหนูเห็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วไปเตือนผู้นั้นคือการทําผิดใช่หรือไม่เจ้าคะก็หนึ่งเรารู้ได้ไงว่าจะเกิดหรือไม่เกิดแล้วเกิดเราไปเตือนเขาแล้วมันไม่เกิดเราก็เขาก็จะหาว่าเราบ้าเ้าก็าจะว่าอยู่ดีๆทำไมมาเหมือนกับจะมามาหลอกเขาอีา เช้นทางที่ดีก็อย่าไปยุ่งกับเขาดีกว่านอกจากเขาถามว่าเฮ้เมื่อคืนเฮ้ยอะไรจะเกิดขึ้นกับเราคุณก็บอกเขาได้ว่าฉันเห็นอย่างนี้นะแต่ฉันไม่รับประกรันนะว่าจะเกิดจริงหรือไม่จริงเป็นแต่เป็นสิ่งที่ฉันเห็นเั่นี้งอย่างนี้เราจะได้ปลอดภั ย, ยเดกิดหกือไม่เกิดเราเขาก็จะได้ไม่มาว่าเราแต่ถ้าอยู่ดีๆเขาไม่ได้มาถามเราอยากไปบอกเขาจะดีกว่า จะคุณพิสิทธิศักดิ์ครับการธรรมสการหลวงพ่อครับขออนุญาตสอบถามเวลาสวดมนต์เสร็จแล้วต้องการโอนบุญควรโอนให้เจ้ากรรมในเวรก่อนหรือโอนให้เทพเทวดาที่คุมครองตนเองก่อนครับหรือสามารถโอนได้ทั้งหมดครับโอนไม่ได้เลยเพราะเป็นบุญเฉพาะตนจะโอนบุญได้ก็เฉพาะการทำทานอย่างเดียวทำทานแล้วก็ูุทิศแบ่งบุญได้แต่โอนแบ่งหมดไม่ได้แบ่งได้เสี่ยวเดียวเนทะ่านั้น จากคุณนราแซมครับกลับถามพระอาจารย์ค่ะว่าการหมั่นสดมนทำวัดเช้าและเย็นจนสวดได้เพราะเรามีความเพียรดังนั้นการฝึกสติและเจริญสติตามที่พระอาจารย์สอนท่องพุทโธพุทโธวันหนึ่งเราก็จะมีวิปัสนาสมาธิโดยไม่ต้องตั้งจิตอธิษฐานใช่ไหมคะถูกต้องเพราะว่าการกา ร, การการกระทาเหล่านี้ก็เป็นการอธิษฐานไปนตัวดยแล้วว่าเราต้องการที่จะได้สมาธิเราต้องการวิปัสนา ก็หมนเเจริิสตไปืคำถามจากคุณน้องนุชครับการมศการค่ะถ้าเราปฏิบัติตัวแบบรักษาศีล์ห้าแต่ไม่ได้สมาทานศีหทุกวันจะได้บุญไหมคะได้การสมาทานนี้ไม่จําเป็นจะต้องสมาทานทุกครั้งไปสมาทานหนเดียวก็พอว่าจะขอรักษาสีห์้าไปจนกว่าเราจะเลิกรักษาสีห์ห้าแล้วพอเราจะมาเริ่มรักษาใหม่แล้วก็สมาทาน แต่การสมาธานนี่ก็ไม่ไน้่หมายความว่าจะต้องไปสมาทานกับพระที่วัดสา ม, มารถสมาทานด้วยตนเองได้ภายในใจโดยการอธิษฐานเนี่ยอันนี้คาว่าอธิษฐานเข้ามาแล้วอธิษฐานคือว่าตั้งใจว่าจะรักษาศีลห้าไป ก, กี่วันกี่วันก็ว่าไปแล้วก็มีสัจจะที่จะทำตามที่ตั้งใจไว้แล้วก็มีความเพียรพยายามที่จะรักษาศีลและมีความอดทน เวลาที่มีอะไรมาคอยขวางกั้นในการรักษาสินของเรานี้เ่ียละคืออธิษฐานต่องอธิษฐานถ้าเวลาจะรักษาสินนี้ต้องอธิษฐานก่อนต้องมีความตั้งใจก่อนคําถามจากคุณอาทิตย์ครับการธรรรัศการพระอาจารย์ครับเจอคนโยนหนูเลี้ยงตกลงมาจากคอนโดจนตายทีเดียวสามตัวสงสารเบชนาได้แต่ช่วยนําไปฝังแล้วโอนเงินทำบุญอุทิศกุศลไปให้ แต่ใจยังเศร้าหมองแค้นคนทำเวลาเจอกรณีแบบนี้ควรปฏิบัติทางจิตยอย่างไรครับลองคานเบ็ดคานั่นเองจิตเราไม่รู้จักปล่อยวางไม่รู้ว่าเป็นเรื่องของกรรมของสัตว์เป็นกรรมของแต่ละบุคคลทั้งคนกระทำนักคนที่ถูกกระทำเราอยู่ในโลกที่มีการกระทำกันอย่างต่อเนื่องเนี่ยเราไปห้าม บุคคลนั้นบุคคลนี้ไม่ให้ทํากรรมอย่างนั้นทํากรรมอย่างนี้ไม่ได้เขาเป็นเหมือนธรรมชาติเป็นเหมือนลมเหมือนฝนอย่างนี้เราไม่สามารถที่จะไปสัง่งหรือไปห้ามฝนไม่ให้ตกหรือลมไม่ให้พัดได้ฉันใดเราก็ไม่สามารถไปห้ามคนไม่ให้ทํากรรมทําบาตต่างๆได้ถ้าเราเข้าใจหลักนี้แล้วเราก็จะได้าวางเฉยได้แล้วผู้ที่ถูกกระทําก็ถือว่าเป็นกรรมของเขา ถ้าเราช่วยกขได้เราก็ช่วยไปใช่นเราไปฝังแล้วก็ทำบนุลทิศไปให้เขาอย่างนี้ได้ทําในส่วนที่เราทําได้ในส่วนที่เราทําไม่ได้ก็ต้องตรงตรง ว, วางป่อย ว, วางครับจากคุณ อ, อมครับกลาวนักการพระอาจารย์ค่ะคำว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมหมายความว่าอย่างไรเจ้าคะผุดขึ้นมาตอนเดินจงกรมคะ่ะกราวสาธุเจ้าคะ่ะ ก็เวลาปฏิบัติธรรมชนิดไหนก็ต้องปฏิบัติธรรมชนิดนั้นมาสิเช่นเวลานั่งสมาธิก็ต้องมีสติอยู่กับการดูลมหายใจและอยู่กับการบริกรรมพุทโธเวลาการเจริญปัญญาก็ต้องอยู่กับการพิจารณาไตรลักษณ์พิจารณานิจจำทุกขังอนัตต า, านี่ว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมคือเราปฏิบัติธรรมขั้นไหนเราก็ต้องเปิดใจว่าทำขั้นนั้นอย่างนั้นถ้าเราอยู่ในการขั้นรักษาสีก็ต้องคอยระมัดระวัง ว่าเราไปฆ่าสัพว์หรือเปล่ารักทัพย์หรือเปล่าอะไรเหล่านี้ถ้าถือสินตาก็ดูว่าเรากินข้าเวเย็นหรือเปล่าอะไรทัง้งหมดนี้คอยรักษาทำที่เราปฏิบัติเนี่ยก็คือปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมที่เรากําลังปฏิบัติอยู่ยนั่นเองให้ถูกต้อง จากคุณพิงชมพูครับกลาบ่าวในวัคซการพระอาจารย์ค่ะเขาได้ยินมาว่าการใส่บาตรตอนเช้าได้บุญมากกว่าการไปทําบุญที่วัดจริงไหมคะเพราะดิฉันคิดว่าการทําบุญจะได้บุญมากหรือน้อยอยู่ที่ความตั้งมั่นตั้งใจดิฉันคิดถูกไหมคะมันมีมันมีหลายอย่างด้วยกันคือหนึ่งการอยู่ที่การเสียสละของเราว่าเราเสียสละมากหรือน้อยถ้าเสียสละมากก็จะได้บุญมากเสียสละน้อยก็จะได้บุญน้อย ส่วนสถานที่หรือบุคกรณ์ที่รับนี้ไม่ไ ม, ไม่ไม่สําคัญใครก็ได้จะทําบุญกับพระก็ได้ทําบุญกับขอทานก็ได้ทําบุญกับปูเอทําบุญกับนกกับปลาก็ได้เช่นปปล่อ ย, อยนกไล่ยปลายนี้ถ้าการเสียสละเป็นจํานวนเท่ากันก็ได้บุญเท่ากันหมดทุกคนคําถามจากคุณรัชยาครับกาบนักสการ์พระอาจารย์ค่ะเขาโอกาสถามข้สอสงสัยเรื่องผวัง บางคนบอกว่าจิตสงบแล้วข้อบวังดีแต่บางคนบอกว่าถ้ามาสติก็จะรู้ตัวตลอดจะไม่หลงเข้าในผวังคือผวังมันมีสองแบบผวังที่มีสติกับผวังที่ไม่มีสติผวังที่ไม่มีสติก็หลับผวังที่มีสติก็สมาธิอยู่ความสงบแต่มีสติรู้สึกตัวตลอดเวลานันก็มีผวังสองแบบส่วนใหญ่มักจะเข้าผวังแบบไม่มีสติ นั่งสมาธิปับหลับคอพับแล้วมารู้สึกตัวครึ่งชั่วโมงอยู่ในกา๊ววันนี้นั่งตั้งคงชั่วโมงแต่ไม่รู้เลยว่านั่งไปนั่งน้อเกิดอะไรขึ้นไม่รู้สึกตัวเลยอันนี้เรียกว่านั่งผวังหลักบถ้านั่งแล้วมีสมาธิมีสติจะรู้ว่าตอนนี้จิตเราสงบนะหรือไม่สงบนะอย่างเนี้เรียกว่าวานั่งแบบมีสติคําถามจากคุณพูดนิสาครับ เมื่อเราเห็นคนทำบุญหรือทำความดีเราพูดคำว่าสาธุสาธุเราจะได้บุญร่วมกับเขาไหมคะไม่ได้หรอกบุญที่เขาทำเราไม่ได้หรแต่เราจะได้บุญจากการที่เราสาธุคือยินดีไปกับการทำบุญของเขาเป็นบุญคนละชนิดกันแต่คามจริงจะให้มันได้ผลจริงๆมันต้องเช่นเวลาเข้ามาขอลางงานไปสักสองชั่วโมงไปทำบุญ ถ้าเราอนุญาตให้เขาไปนัสาธุอย่างเงี้ยเราจะได้บุญเพราะเราได้เสียสละเวลาการทํางานซึ่งเป็นเป็นการเสียผลประโยชน์ของเราให้เขาไปแต่เพียงแต่ผู้สาธุสาธุเฉยๆโดยที่ไม่ได้เสียอะไรนี้จะไม่ค่อยได้บุญครับเพราะไม่ได้เสียอะไรต้องเสียอะไรสักอย่างหนึ่งไปเช่นเรามีลูกน้องเขามาขอลาบวชสามเดือนแล้วก็อนุญาตให้เขาไปบวช ไม่ขัดขวางไม่ได้ให้เขาออกไปเลยว่ า, าดีกับศึกแล้วก็กลับมาทํามาต่อได้นีน่นายจ้างบางคนใจดีจ่ายเงินเดือนให้ด้วยก็มีอย่างเงี้ยถึงจะเรียกว่าร่วมอนุมโมทนาร่วมสาธุไปกับการทําบุญของเขาแต่เด็กแต่สาธุด้วยปากเปล่ปานี้มันไม่ได้ล่ะต้องสาธุด้วยการเสียสละแบ่งปันเพื่อให้เขาได้ทําในสิ่งที่เขาต้องการจะทํา เนี่ยเขาไปทำบุญมาก็เอาฝากมันไปร่วมด้วยอย่างเงี้ยสาธุไปด้วยอย่างเงี้ยเราก็จะได้เป็นแต่สาธุเฉยๆนี่มันไม่ได้อะไรใครๆก็พูดได้คำว่าสาธุสาธุคำถามจากคุณภู ม, มายครับการรัตการเจ้าขาเรียนถาพระอาจารย์นั่งสมาธิเห็นฟันที่ผุเห็นหน้าเป็นกระดูจ้องดูอยู่ดูอยู่ แต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปเน่าสลายควรทำอย่างไรคะสักพักภาพก็หายไปเฉยๆไม่ควรจะดูภาพตรงนี้นะนักสมาธินี้ต้องดูลมหายใจเข้าออหรอือบริกรรฟุโฟุโทโตในการดูภาพเหลนี้มันเป็นเรื่องของระดับอีกระดับหนึงเรื่อง ม, มีปัสสนามีปัสสนานี้เราต้องเป็นผู้กำหนดมันขึ้นมากำหนดฟันแล้วก็กำหนดให้ให้มันผุพังไปด้วยการจินตนาการของเรา ถึงเรียกว่าเป็นวิปัสสนาการกำหนดร่างกายนี้ตั้งแต่เกิดมาอยู่ในเท่าแม่ออกมาเป็นท่ารกเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นคนแก่เป็นคนเจ็บเป็นคนตายเป็นทราบศพกลายเป็นขี้เท่าที่ฐานไปอันนี้แหละนี่ก็เป็นการกําหนดเป็นการดูความเปลี่ยนแปลงของร่างกายอย่างนี้ถึงเรียกว่าเป็นวิปัสสนาต้องมองไปตามความเป็นจริง คือดูความไม่เที่ยงของร่างกายนี้คําถามจากคุณแจฮียงครับกาธรรมนิพพารพระอาจารย์ข่านหลวงพิการนั่งตักบาตรตอนเช้าจะบาปไหมครไม่บาปหรอกอยู่ในท่าไหนก็ได้ถ้าเป็นพิการถ้าไม่มีเจตนานที่จะทําเพื่อเพราะความที่เกลียดหรือเพราะความไม่เคารพนี้ก็ถึงจะถือว่าไม่ถูกต้องแต่ก็ยังไม่บาปแต่ถ้าเราทําไม่ได้ในท่าที่ สมควรที่จะถือ ว, ว่าเป็นการเคารพแต่นั่งใส่บาตรหรือนอนใส่บาตได้ก็ทําไปก็ได้ไม่บาปใดอย่างใดครับไม่เสียความเคารพใดอย่างใดคําถามจากคุณสโตนครับอยากถามว่าถ้าเราบนอะไรไว้สักอย่างหนึ่งแต่เราอยากจะเปลี่ยนหรือยกเลิกการบนนั้นๆจะทําได้ไหมแล้วต้องทําอย่างไรคะก็อยู่ที่ตัวคุณเองคุณเป็นบนคุณบนเองคุณก็ลบเองได้เป็นเรื่องของคุณความเป็นจริงมันไม่เกี่ยวกันหรอก คุณบุญเนนีะ่มันได้และไม่ได้มันไม่ได้อยู่ที่การบุญของบุญของคุณแต่ถ้ามีคุณมีความเชื่อคุณก็ต้องคุญก็ต้องก็ต้องทํตงตงาตามที่คุณบุญไว้ไม่ใช่ว่าพอได้อะไรมานะแล้วแล้ก็เปลี่ยนทีหลัง น, นี้ไม่ถูกเช่นบุญว่าถ้าได้สิ่งนี้แล้วจะไปบวชเจ็ดวันพอได้มาแล้วก็อ้างนูน่นอ้างนี้ว่าไม่ว่าไปไม่ได้ขอขอเลิกขอแก้บนนะเลอกการแก้บนนะุญไม่ไอันนี้ไม่ได้เว่าเป็ น, นการเสียสัจธรรม พ่าเราได้ทําคำมั่นสัญญากับตัวเราว่าถ้าเราได้สิ่งนี้สิ่งนั้นมาแล้วเราจะไปทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ต่อถ้าเราไม่ทําก็เป็นการหลอกลวงตัวเราเองนี่คำถามจากคุณเสริมทรัพย์ครับการ น, นักักกา ร, ระอาจารย์เจ้าขาโยมนั่งสมาธิจนสว่างสงบมีความสุขอย่างบอกไม่ถูกเหมือนจมดิ่งกับอารมณ์นั้นตอนนั้นเหมือนกายไม่มีรู้สึกตกใจมากเจ้า่าต้องทําอย่างไรคะก็ทําทต่อไปพยายามกลับเข้าไปอย่างนั้นบ่อยๆนั่นแหละคือสมาธินี ไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นตับใจมันอาจจะเป็นของแปลกประหลาดมาสจะใจครั้งต่อไปก็พยายามทําต่อไปให้มันเข้าไปให้ได้แย่าอย่าไปคิดถึงอดีตที่ผ่านมาแล้วถึงผลที่ได้มานั้นแล้วอยากให้มันเป็นอย่างนั้นก็ไปนั่งคิดในลาบที่ภาวนามันจะไม่เข้าสมาธิได้ กราบนำพิการพระอาจารย์และสวัสดีคุณหมอค่ะกราบเรียนถามว่าปฏิบัติโดยเดินจงกรมทุกวันระลึกถึงการเดินมีความคิดฟุ้งซ่านต่างๆพอร ะ, ะลึกได้ก็กลับมาที่การเดินจะสลับไปมาแบบนี้โยมปฏิบัติแบบนี้ถูกต้องไหมคะเกอพยายามอย่าให้จิตไปฟุ้งซ่านอย่าให้ไปคิดอะไรพยายามควบคุมเดินให้อยู่กับการเดินอย่างเดียวเช่นดูที่เท้าก็ได้ซ้ายขวาซ้ายขวาไปหรือเดินบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปก็ไดนะ้ อย่อให้เดินย่เนเฉยๆถ้าเดินเฉยๆนี่เดี๋ยวจิตก็ไปคิดเรื่องราวต่างๆได้ต้องเดินแล้วมีอะไรกํากับเช่นมีคําบริกรรมพุโทโธหรือมีการเฝ้าดูการย่างเท้าของเราคําถามจากคุณนุ้ยครับการบำเญสการพระอาจารย์ครับถ้านั่งสมาธิกำหนดอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกพร้อมภาวนาพุโทโธแล้วเกิดเวทนาขึ้นอย่างเป็นเน็บชาที่ขาให้กําหนดที่เวทนาหรือกําหนดที่ลมหายใจครับ ก็อยู่ที่ลมหายใจต่อไปอย่าไปสนใจกับเวทนาเพราะถ้าสนใจแล้วจิตจะเริ่มปูแต่ง เ, เกิดความอยากให้เวทนานั้นหายไปแล้วมันจะทําให้เกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาจนนั่งต่อไปไม่ได้แต่ถ้าเราไม่ไปสนใจเวทนาเราอยู่กับล ม, มต่อไปใจก็จะนื่งใจก็จะไม่มีความอยากให้เวทนาหายแล้วกใจก็จะไม่มีความทุกข์ที่เกิดจากความอยากให้เวทนา งนอย่าไปดูเวทนาให้ดูที่ลงไปเรื่อยๆอย่าไปสนใจกับเวทนาแล้วเดี๋ยวใจก็จะนิ่งมากขึ้นแล้วเวทนาก็จะไม่มารบกวนใจจอกคุณซ้อนด<จ>วงพรเดชขอบคุณครับอ า, าจารยอ๋อครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อกลับยนถามพระอาจารย์ว่าการผิดศีลข้อแรกแต่เราถือศีลข้ออื่นแทนได้ไหมคะอย่างเช่นศีลข้อเจ็ดได้ไหมเจ้าคะอาจารย์ มันแทนยังไม่ได้ล่ะสิ่ข้อไหนก็มันก็เป็นสี่ข้อนั้นไปก็ถือว่าขาดข้อนั้นไปก็ต้องพยายามรักษาให้ได้ขาดครั้งเดียวก็ <ãy S 2> ไม่เป็นไรคาะแล้วก็ทำความเหมือนกันเดินไปแล้วก็หลอกหกลม้มบ้างหกล้มก็ลุกขึ้นมาเดินใหม่พยายามรักษาไปให้ครบอย่าอามว่ารักษาสีลงข้อนี้แทนแล้วแล้ว เ, าเอาสิ่งข้อเจ็ดมารักษาแทนข้อหกแล้วเราจะเอาสิ่งข้อไหนมารักษาแทนข้อเจ็ดมัน <ruim> มัน แ, แทนยังไม่ได้หรอเนะ ต้องพยายามรักษาให้มันได้ทุกข้อแต่ก็ไม่ได้มายควาว่าจะต้องทําให้ได้ทันทีทันใดตอนนี้เราได้เจ็ดข้อก็ทําความเข้าใจว่าเรายังไม่ได้ไม่ครบเราก็พยายามทําเพิ่มไปให้มันครบจนได้เดี๋ยวก็ได้เองถ้ามีความเพียรพยายามมีความตั้งใจมีอธิษฐานเดี๋ยวก็ได้ต่อเนื่องเลยครับข้อนี้เลครับอาจารย์คุณขวัญวันนาบอกว่าภาวนาแล้วติดอยู่ที่เดิมไม่ก้าวหน้าทําอย่างไรครับ ก็ทําทน้อยไปก็ทําทให้มากขึ้นสปไปนั่งครึ่งจะ่วโงก็นัองนั่งต่อเขาก็ครึ่งจะ่วโงแล้วก็น้องนั่งต่อฝฟืนไปบางครับไปท่องพุทโธพุทโธไปชนมนไปถ้าดูมองไม่ได้เดี๋ยวมันก็นั่งมันก็มันก็จะก้าวหน้าไปเองก็ทําให้เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆผลเกิดที่เหตุเความก้าวหน้าของของการปฏิบัติของเราอยู่ที่การปฏิบัติของเราว่ามากหรือน้อยถ้ามากก็จะก้าวหน้าถ้าเท่าเดิมก็จะอยู่ท ่ทีเดิถ้าน้อยก็จะถดถอยจากคุณเจตครับเรามีวิธีป้องกันไม่ให้หลงตอนอายมาุมากๆได้อย่างไรบ้างครับเราพยายามฝึกสติอยู่นี่แน่ให้จิตอยู่ในปัจจุบันให้รู้ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่อย่าไปทําอะไรแล้วก็คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะมันจะทําให้ตหลงเลยว่อเอ๊ยเมื่อกี้เราทําให้นี่หรือเปล่าเรากินให้นี่หรือเปล่าเราเดื่มให้นั่นหรือเปล่า <c oughs> แต่ถ้าเรามีสติอยู่กับการกระทําทุกอย่างเราจะจําได้เราจะรู้ จะไม่หลบไม่เลงอยู่ภาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหลายท่านอายุเก้าสิบอายุร้อยท่านก็ยังไม่หลงไม่เลงจิงตของท่านเพรามีสตินี่สติตัวนี้จะเป็นตัวต้านอัลไซเมอร์ได้จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่รู้นะแต่เราเชื่อวนะ่าต้านได้ครับผมคำถามทากคุณแพทครับเรียนถามอีกนะคะหายใจเข้าออกพร้อมกับท่องพุทโธเป็นการปฏิบัติที่ถูกหรือเปล่าคะแล้วจิตควรเพ่งอยู่ที่ไหนคะ คือการปฏิบัตินี่มันสมาธิมทีที่ทั่วไปทํากันได้มีอยู่สามวิธีด้วยกันวิธีหนึ่งก็คือดูลมเนาะดูลมหายใจอย่างเดียวดูที่ปลายจมูกหรือดูที่หน้าท้องก็ได้อีกวิธีหนึ่งก็คือการบริกรรมพุโทโธอย่างเดียวไม่ดูลมด้วยเท่าแต่อยู่ให้จิตมีสติอยู่กับคําบริกรไ ร, ร, รไปเรื่อยๆพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆให้รู้อยู่กับคําบริกรรมเพียงอย่างเดียว แล้วก็มีแบบที่สามคือแบบรวมผสมกันเอาพุโทโธกับลมมาผสมกันเช่นหายใจเข้าก็ว่าพุทหายใจออกก็ว่าโธอันนี้แล้วแต่ผู้ปฏิบัติที่จะเลือกเอาว่าจะถูกกับแบบไหนวิธีไหนทั้งสามวิธีนี้ใช้ได้เหมือนกันเพียงแต่ให้รู้ว่าเราเอาวิธีไหนแล้วก็ให้มันทําให้มันถูกวิธีนั้น ถ้าพูดเข้าโทออกนี่ก็ต้องยุดูลมด้วยแล้วก็ต้องรู้พูดโธด้วยกำกับมันก็ทําให้เราบางคร้งไม่เรามีสติมากขึ้นเพราะจะไหนจะต้องดูลมด้วยรู้ลมด้วยแล้วต้องรู้พูดโธด้วยแต่ถ้าเราพูดโธรอย่างเดียวนี่มันก็จะง่ายกว่าพูดโทพูดโธพูดโธไปเนื่องดูลมอย่างเดียวมันก็จะง่ายกว่าอันนี้แล้วแต่จิตโทงแต่ละคนบางที ถ้าดูลมแล้มันยังหนีไปคิดเรื่องนี้นีน่อยู่ก็บังคับให้ดูลมแล้วพุโทโธด้วยมันจะได้ไม่หนีไปก็ได้คําคถามจากคุณคุณัญญาครับกลาวในพิธกา ร, การพระอาจารย์เรียนถามเจ้าข่าการนั่งสมาธิแล้วเห็นดวงจิตตัวเองกําลังนั่งสมาธิอยู่ค่ะมันจะเป็นความคิดนั่นสิเป็นความเห็นในจิตของเรานี่ก็เป็นความคิดทั้งนั้นแสดงว่าจิตเรายังไม่สงบจิตเรายังไม่หยุดคิด ต้องกลับมาที่พุโทโธพุทโธกลับมาที่ลมหายใจอย่าไปดูความคิดต้องหยุดความคิดคำถามเจ้คุณอนัตตาครับการเัศการพระอาจารย์ครับกับผมเห็นทุกอย่างที่เกิดขึ้นในจิตแต่ใจมันไม่ทุกข์กับสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่เกาะเกี่ยวกับใจสภาวะนี้คืออะไรครับก็ปล่อยวางเลยถ้าไม่ทุกข์สัจจะวารู้นี่แต่ว่ามันจะทําได้ทุกเรื่องทุกทุกเวลาหรือเปล่าเท่านั้นเอง บางทีบางเรื่องเราก็ปล่อยวางได้ถ like of er, ้ามันไม่มันกระเทือนทาให้เราเดือดร้อนเสียหายอย่างเรื่องที่มันมาทำให้เราเดือดร้อนเสียหายนี่เราปล่อยวางได้หรือเปล่าเช่นถูกเขาโกงไปร้านอย่างเนี้ยดูซิว่าเราปล่อยวางได้หรือเปล่าคําถามจากคุณเกตมณีครับการรำมรัชการพระอาจารย์ครับเรียนถาม หลวงพ่อว่าการสวดมนต์ระหว่างออกเสียงและการสวดมนต์แบบสวดมนต์ในใจแต่จะทําสมาธิได้ยินเสียงตัวเองชัดเจนและสวดแบบออกเสียงแบบไหนจะดีกว่ากันเจ้าคะแต่ดิฉนันถนัดการสวดแบบให้ออกเสียงเจ้าคะ่ะคือการออกเสียงนี้มันก็สําหรับคนที่ยังไม่สามารถที่จะสวดภายในใจได้เพราะยังไม่มีสติพอก็เลยต้องอาศัยการสวดออกเสียงไปก่อนแต่ใ น, นที่สุดนี้ควรจะสวดภายในใจจะดีกว่า พราะเราต้องการให้หยุดความคิดต่างๆหยุดการกระทําทางร่างกายถ้าเรายังสวดออกเสียงเรายังมีการกระทําผ่านทางร่างกายจิตก็จะไม่สามารถเข้าสู่ความสงบได้อย่างเต็มที่งั้นก็ควรจะสวดแบบไม่ออกเสียงถ้าสวดได้ถ้ายังสวดแบบไม่ออกเสียงไม่ได้ก็สวดแบบออกเสียงไปก่อนแล้วค่อยพัฒนาเ ข, ข้าสวดการสวดแบบไม่ออกเสียงแล้วต่อไปก็เข้ามาดูลมหายใจต่อไป คำถามจ้าคุณสมบัติครับกาศนักวิชการพระอาจารย์ขณะเข้าพวังอยากทราบว่าจิตตอนนั้นอยู่ในฌานไหนครับถ้าเป็นพวังเต็มที่จิตสงบนิ่งสัตว์แต่ว่ารู้ไม่มีอารมณ์อะไรเดี๋ยอยู่นอกจากโมเปขาก็เรียกว่าฌานสี่ลองไปอ่านดูฌานนี่มีมีคุณ ล, ลักษณะต่างกันฌานขั้นที่หนึ่งมีวิตกมีวิจาร์มีสุขมีปิติมีอะไรจําไม่ได้นะ แล้วพอถ้าเพ่งไปเรื่อยแล้วอารม์ต่างๆเหล่านี้ก็จะค่อยหายไปหายไปพอเข้าถึงสู่ชาตที่สี่ก็จะเจอแต่โมเปก้ากับความว่างจากคุณไอรีนครับกล่าวด้วราชการเจ้าขาหลังการทําบุญทุกครั้งจะต้องอธิษฐานจิตทุกครั้งไหมคะตอนอธิษฐานก่อนทําเสลยต้องมีความตั้งใจจะทําบุญก่อนแล้วถึงจะไปทําบุญได้ถ้าไม่ตั้งใจทําบุญก็จะไปทําบุญไม่ได้ แต่ถ้าอธิษฐานก็ขอให้ได้ผลบุญสิ่งนั้นสิ่งนี้นี่ขอไม่ได้ทําน้อยแล้วอยากจะได้ผลเป็นพันุ์นี้ไม่ได้หรอกทำน้อยก็จะได้ผลของร้อยไม่ต้องไปขอผลเพราะเมือ่ อ, อเราทําแล้วเหตุเจ้นั้นจะเป็นผู้ที่จะกําหนดผล ท, ที่จะตามมาเพราะฉะนั้นเราต้องไปกําหนดที่เหตุถ้าเราต้องการบุญมากเหตุก็ต้องมากคํถาถามจากคุณสุเมตราครับ กระนัสการค่ะเวลามีความคิดเกิดพอรู้ตัวว่ากำลังคิดจะต้องวางจิตอย่างไรคะทำอย่างไรถึงจะไม่ปรุงแต่งต่อคะก็หยุดมันไปอย่าปล่ยให้มันคิดถ้ามันหยุดไม่ได้ก็ต้องใช้พุโทโธพุทโธไปหรือสวดมนต์ไปคุณเกษดาครับขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงประทานพร อ, อันประเสริฐแก่ลูกและครอบครัวด้วยเถินพูดอย่างนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องแต่ไม่ได้ผลหรอก เพราะว่ามันสิ่งศักสิทธไม่สามารถมอบสิ่งที่เราต้องการได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเรานี่ต้องเกิดที่อยากการกระทำของเราถ้าเราต้องการพลังประเสริฐที่สูงสุดก็คือปัญนิพานการไปนิพานได้ก็ต้องปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่สามารถที่จะส่งนิพานธ์มาให้เราได้ ถามจากคุณ Infinity Lucky ครับกาบเขากาดเจ้าค่ะการกําหนดดูลมขณะนั่งสมาธิหมายความว่าเราเห็นลมเข้าออกเป็นสายหรือใช้ความรู้สึกตามลมเข้าออกเจ้าคะไม่ไม่ต้องดูว่าเป็นสายเรือไมเป็นสายดูตามความจริงจเวลาเราหายใจเข้าเราก็ดูว่ามันหายใจเข้ามันจะเป็นสายหรือไม่เป็นสายก็ยไม่เป็นไรดูที่ปลายจมูกเนี่ยไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออก ให้ดูที่จุดเดียวเพื่อจิตจะได้นิ่งได้สงบได้จ่าคุณชัดชพงครับกาศนพสการ์ารานั่งสมาธิจนครบเวลาหนึ่งชั่วโมงแต่ช่วงท้ายเกิดเวทนาปวดขาตอนแผลเมตตาเราจะขยับตัวได้ไหมคะหรือควรอดทนต่อเวทนาขณะแผลเมตตาคะคือนั่งสมาธิเพื่อให้จิตนิ่งให้สงบนะถ้าไปขยับนั่งกายมันก็จะสงบไม่ได้ ถ้าเราจะเนั่งแล้วเราจะขยับน่างกายมาแผ่เมตตาก็ทําได้จากคุณพยอมครับกาญนวัฒกา ร, การค่ะถ้าเราไปบอกบุญคนอื่นให้ไม่ได้จายเงินมาสร้างโบสถ์หรือซื้อโรงเย็นถวายวัดแล้วซื้อถวายจริงๆแต่ถ้าเราไม่ได้ออกเงินเราจะได้บุญไหมคะไม่ได้หรอกเพราะมันบุญเกิดจากการเสียสละของของคนที่เสียเงิน น, นไปคนที่บอกเพียงแต่เป็นเหมือนกับเป็นสะพานบุญนั้นเอง คำถามจะคุณฟลอร่าครับการเห็นอริยสัตว์สีนั้นต้องเห็นกับเหตุการณ์สดๆร้อนๆในขณะเหตุการณ์นั้นมากระทบจิตใจนั้นใช่ไหมคะทุกเกิดจากอะไรสมุทัยจิตใจที่ส่งออกนอกไปรับรู้วิธีดับทุกข์ในขณะนั้นเลยใช่ไหมคะใช่ถ้าเห็นอย่างนั้นก็แสดงว่ามีการมีดวงตาเห็นธรรมเห็นจริงๆว่าตอนนี้ไม่สบายใจเกิดเพราะว่าอยากจะให้ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาพอไ ม, ไม่ได้ก็เสียใจ ถ้าอยากจะให้ความเสียใจน่าหาใจก็ต้องเลิกเลิกความอยากอันนั้นให้ได้โดยการเห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้มันไม่เที่ยงได้มาล้เดี๋ยวมันทาให้เราทุกข์อยู่ดีเพราะมันจะหมดไปได้แล้นเดี๋ยวได้ยศก็ต้องเสื่อมยศได้ลาภก็ต้องเสื่อมลาภได้สรรเสริญเนื้อต้องได้ดินทาได้สุขแล้วเดี๋ยวก็ต้องได้ทุกข์พอเห็นอย่างนี้ก็เปลี่ยนใจไม่เอาก็ได้ได้เราเดี๋ยวต้องทุกข์ไม่เอาดีกว่าความทุกข์ในใจที่เกิดจากความผิดหวังก็จะหมดไป อั น, นี้เห็นเห็นเห็นตามความเป็นจริงต้องเห็นตอนที่มีความทุกข์พอรู้จิตเราไม่สบายจิเราทุกข์แล้วเราก็ต้องค้นดูว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรอยากความอยากชนิดไหนแล้วมาดูด้วยปัญญาว่าสิ่งที่เราอยากได้มันทุกข์เราสุขกันแน่เที่ยมันก็ไม่เที่ยงเป็นของเราได้ไปตลอดหรือไม่อย่างนี้ถ้าพิจารณาเห็นว่าเป็นตายรักเราก็เปลี่ยนใจไม่เอาดีกว่า หยุดความอยากได้สิ่งนั้นความทุกข์ก็จะหายไปคําถามจากคุณสลิตาครับข อ, อการภาวนาพุทโธไม่ได้เลยค่ะจิตส่งออกนอกตลอดเวลาและเร็วด้วยแต่ถ้าอิติปิโสจิตจะนิ่งกว่าเพราะต้องลึกตัวเลขพอจิตสงบจะเห็นเรื่องทุกเรื่องว่ามันเป็นอย่างนั้นเองทุกเรื่องและจะมีผู้รู้ผุดมาเป็นระยะระยะเวลาเรามีข้อสงสัยในใจคําถามคือหลานจะเชื่อผู้รู้นี้ได้ใช่ไหมเจ้าคะคือผู้รู้เนี่ยมันผู้รู้รู้เฉย ดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นในใจของตนเองถ้ามีสติเนี่ ย, ยนั้นก็ถ้าทำด้วยการสวดอินิรปิสโสร์แล้วจิตนิ่งได้ก็ใช้การสวดแทนวัตโธได้ส่วนสิ่งที่เรารู้นี่มันไม่แน่นอนว่ามันเรื่องจริงแล้วไม่จริงอันนี้ก็ต้องพิจารณาเป็นเป็นเรื่องๆไปคุณทะเดชครับ าการน้ำระสการพระอาจารย์ขอเรียนถามว่าเมื่อครั้งที่แล้วลูกที่ได้เรียนถามแล้วได้ฟังธรรมที่หลวงพ่อตอบคําถามและคําตอบในท่านอื่นๆลูกรู้สึกจิตตั้งตรงใจตั้งมั่นมีความเคารพในพระธรรมที่หลวงพ่อแสดงเมื่อลูกก้มกราบพระก่อนนอนตื่นนอนก็น้อมกราบหลวงพ่อและเห็นใบหน้าหลวงพ่อชัดเจนลูกขอนอบน้อมในหลวงพ่อเมตตาเป็นครูบาอาจารย์เมื่อยามนั่งสมาธิจับลมหายใจจิตสงบคําที่หลวงพ่ออบรมสั่งสอนเป็นไปได้อย่างไรคะ ก็มันเป็นความจำที่มันฝังอยู่ในใจรเราดังนั้นเองคำถามสาธุเยอะมากครับอาจารย์ก็ไลยประมาณสิบนาทีเลยาาลลครับเอาอีกยี่สิบนาทีครับรย <c oughs> ี่สิบสามสิบี่าวธรรมสการพระอาจารย์กินเจต้องกินวันพระอย่างเดียวหรือว่ากินวันอื่นแทนได้ไหมครับเพราะบางทีก็ลืมวันพระค่ะ อ๋อไม่ต้องกินหรอกกินเจนี้ไม่ได้บุญแต่อย่างใดกินเจนี้ไม่ได้ทําให้เกิดบุญ <c oughs> บุญจะเกิดต่อเมื่อเรารักนิสการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนัถ้าเราอยากจะได้บุญต้องอยา่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมะจะไม่ได้เป็นอาหารของเราเช่นยุงมดแมลงอะไรต่างๆนี้ก็อยา่าไปฆ่าอย่างนี้ก็จะได้บุญแต่กินเจเฉยๆนี่ไม่ได้บุญ จะคุณโดราจันครับกาเปลี่ยนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะท่านในใจเราพูดไม่เพราะพูดไม่เพราะจะแก้ไขยังไงดีเจ้าค่ะกาสาธุค่ะก็สอนใจได้ว่าต่อไปนี้อย่าพูดอย่างนี้พูดไม่เพราะไม่ดีฝึกได้เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนวิธีพูดใหม่สอนใจในั้นใชพูดใหม่นี้พูดแบบไพเราะเวลาที่เราต้องพูดกับคนที่เราเคารพเราที่เราวลาเราต้องการแสดงมารา ย, ยาทของเ ร, เราเดีออกมาเราพูดอย่างไรเราก็ซ้อมใหม่ได้ เปลี่ยนได้เพราะมันเป็นเรื่องการสึกษนิสัยนี่นิสัยไม่ดีเราก็เปลี่ยนได้ด้วยการสึกษนิสัยที่ดีมาแทนที่มันและต้องใช้เวลาเท่านั้นเองต้องมีสติคอยควบคุมเวลาที่เราคิดไปในทางไหนแล้วก็ถ้ามันไปในทางไม่ดีก็เปลี่ยนมันเสียก่อนจะพูดอะไรให้นึกให้คิดให้นอบขอบก่อนว่าเราจะพูดออกมานี้มันดีหรือไม่ดีไพเลาะหรือไม่ไพเราะเมื่อไม่มไพเราะก็อย่าพูดดีกว่า คำถามจากคุณพิชัยครับเมื่อเราปล่อยจากการบ ร, ริกรรมพุทโธจิตจะเริ่มนิ่งๆแ ล, แล้วมักจะเริ่มเห็นดวงไฟสีเหลืองๆใหญ่บ้างเล็กบ้างอยู่อย่างนี้ทำยังไงเวลาจิตนิ่งๆแล้วจะไม่เห็นดวงไฟนั้นครับก็ออยังไม่นิ่งเต็มที่นะอย่าปล่อยอย่าปล่อยพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะรู้สึกตกตกเขีตกบ่อตกหลุมเมื่ามันจะนิ่งอย่างเต็มที่แล้วจะไม่เห็นอะไรจะมีแต่ความว่างเปียงอย่างเดียวอย่าอย่าเพิ่งหยุดพุดโทโธให้มันตกหลุมตกบ่อ ตกเหวค่ะตกจากที่สูงก่อนังนั้นมันจะเน่งมันจะว่างจะไม่มีอะไรให้เห็นคุณชยนันท์ครับน้องกลับเรดินถามพระอาจารย์เจ้าข่าลูกชายเรียนวิชากฎหมายแล้วมาบอกโยมว่าคุณแม่มีสิทธิ์ในเงินเดือนคุณพ่อเพราะทางกฎหมายเงินของสามีหรือภรรยาคือสินสมรสคุณแม่หยิบใช้ได้เลยไม่ต้องขอคุณพ่อถือว่าไม่ผิดในทางกฎหมายโยมเลยบอกกับลูกชายว่าแม่ไม่กล้าหยิบถ้าไม่ขอพ่อก่อนเพราะรู้สึกผิดศีลเจ้าค่ะลูกชายอายุสิบเจ็ดปี ขอท่านพระอาจารย์ไม่ตาชี้แน่เจ้าค่ะทางคนหมายทางโลกกับทางธรรมนี่จะไม่ไม่เหมือนกันพนระาะคนหมายทางโลกนี้มันมันเป็ผู้เป็นเป็นผู้มีกิเลส็นผู้เขียนขึ้นมาก็าจะเขียนไปในทางในทางของกิเลสได้ในทางธรรมนี้ของของใครของมันแล้วก็รู้กันอยู่เงินใครหามาได้ก็เป็นเงินของคนนั้นเขาเราจะอะไรของเขามาใช้ก็ต้องได้รับอนุ ญ, ญาตจากเขาก่อน หรือถ้าเขาบอกไว้ตั้งแต่เริ่มต้นว่าเงินทั้งหมดที่เราหามาไดะนี้เป็นของน้องด้วยเนยะถ้าอย่างนั้นก็ถือว่าเขาเขาอนุญาตให้เรามีส่วนถือว่าเป็นเจ้าของของเงินนั้นนะอันนี้แต่ทางธรรมนี้ไม่มีการกําหนดอย่างนี้ขึ้นมาเงินของใครของมันทรัพย์สมบัติของใครของมันจะ่อเอาของจากเขาไปนี่ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเาก่อนคําถามจากคุณเบนซ์พินโยครับ าการวัฒการพระอาจารย์ครับอยากจะกลับเรียนถามพระอาจารย์ว่าถ้าเรารักษาสีลแปดแต่ว่ายังทาครีมทาแป้งเพื่อดับกลิ่นกายและก็ฟังเพลงแต่เป็นเพลงในแนวธรรมะสีลแปดจะขาดไปไหมครับและน้ําปานะถือเป็นพวกชานนมไข่มุกถือว่าน้ําปานะไหมครับในเรื่องทาครีมทาแป้งนี้เพื่อถ้าทําเพื่อเป็นการรักษาการกําจัดกลิ่นนี่การ จ, จะถือว่าเป็นการรักษาอย่าง ไม่ไม่ผิดถ้าไม่เป็นการเสริมสวยความความสวยความงามของร่างกายถ้าใส่แป้งหอมเพื่อให้มันมีกลิ่นหอมเพื่อคนได้ได้กลิ่นแป้งแล้วจะมีความมีอารมณ์รักชอบห อ, อย่างนี้อันนี้ก็ไม่ควรแต่ถ้าทำทำเพื่อป้อง ก, กันกลิ่นเนี่ยก็เป็นเหมือนการชำระอน้อําบท่าอาบน้าอันนี้ก็ไม่ถือว่าผิดินแตนะ่ส่วนการฟังเพลงนี้ไม่จะเป็นเพลงธรรมะก็ไม่ควร ว่ก็ยังเป็นเพลงที่เป็นที่จะให้อารมณ์ในเชิดบันเทิงอยูส่วนเรื่องน้ําปั้นนนี่ความหมายของน้ําปั้นนที่แท้จริงนี่เขาเรียกว่าน้ําผลไม้น้ําผลไม้แล้วต้องเป็นผลไม้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่ากําปัน้นเช่นส้มองุ่นแอปเปิ้ลอะไรพวกนี้เอามาข้นน้ําได้ข้นแล้วดื่ม น, น้ำมันได้แต่ต้องกรองไม่ให้มีกาก ไม่มีเนื้อติดอยู่ในน้ําแต่ถ้าเป็นผลไม้ที่ใหญ่กว่านั้นไม่ได้เช่นแตงโมสับปะรดอะไรทํานองนี้มันถือว่าเป็นผลไม้ใหญ่ไม่สามารถเอามาคั้นทําเป็นน้ําปานะได้ส่วนน้ําอย่างอื่นนี่น้ำเล็กก็เป็นน้ําที่เป็นมีส่วนผสมของของของอยาเลือกเพสัชพระพุทธเจา้าอนุญาตเพสัช5 5ชนิดให้ให้ดื่มให้รับประทานได้หลัง หลองจากเชี่ยงวันไปแล้วก็คือน้ำตาลหรือน้ำอ้อยเนยคนเนยใสน้ำผึ้งแล้วก็อะไรอย่างน้ำมันเนียอันนี้เอามาดื่มได้ส่วนพวกถั่วเหลืองนี่ถือว่าเป็นน้ำนมถือว่าเป็นส่วนประกอบของอาหารเป็นส่วนของอาหารหรือไม่ได้เป็นนเป็นน้ําดื่มหลังจากเชี่ยงวันไปแล้วไม่ได้ คุณพรชัยครับกล่าวนวัชการพระอาจารย์ครับปล่อยวางและโลภะโทสะโมหะพุทธศาสนาสิ้นสุดเพียงเท่านี้กับผมเข้าใจถูกต้องไหมครับมันเท่านี้แต่มันไม่ใช่มันของที่มันพูดง่ายแต่มันทำยากอาจจะทาตั้งชาติตลอดชาตินี้ก็ยังทําไม่ได้คนส่วนใหญ่ทําไม่ได้เพียงแต่ปล่อยวางสามตัวนี้เท่านี้ไม่เชื่อคุณลองทํำดูเลยว่าคุณจะปล่อยวางได้ไหม ถ้าคุณอยู่คนเดียวปล่อยได้ แ, แต่พอคุณไปเจอคนนั้นคนนี้เจอสิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นมาเดี๋ยวเห็นเห็นโน่นเห็นนี่ก็เกิดความโ่าเห็นร่อนร่นย้อนสวยๆออกมาน้ำลายไหลเลยก็โลภะเกิดขึ้นนะเห็นใครก็พูดอะไรทำอะไรไม่ถูกไม่ถูกใจเราก็เกิดโทสะขึ้นมา น, นี้ก็มันมั น, ม, นมันพูดแล้วมันก็รู้สึกว่ามันมีแค่นี้แหละมีแาการละโลภโกรธนองรักโทสะโมหะ โลกโทสะโนภะโทสะโมหะเพราะฉะนั้นการวิธีที่จะละมันนี่มันรู้สึกค่อนข้างที่จะคพิสดารมีเรื่องราวที่น่ารู้มากมายเพาต้องมีเครื่องมือในการที่จะละโลภะโทสะโมหะนี้ได้ก็ต้องมีทานมีสีมีภาวนานเป็นต้นจากผู้ไม่ก็ตสงออกนามครับ หนูไม่ได้เรียนหนังสือเกี่ยวกับธรรมะคาศัพท์บาลีสังสกิต ร, ร, ร, รยากๆก็ไม่เข้าใจชานก็ไม่มีกับเขาได้แต่ทําทานศีลฝึกสติตามที่หลวงพ่อสอนดูกายดูใจดูกิเลสที่เกิดขึ้นในใจตัวเองบ่อยๆจนเห็นว่าทุกสิ่งในโลกนี้มีเพียงแค่ธาตุสีเกิดจากธาตุทั้งสีแล้วก็ดับไปเป็นธาตุนั้นเช่นเดิมทุกสิ่งเกิดเกิดดับดอย่างนับไปท้วนหนูยังไม่ได้หลงทางใช่ไหมเจ้าคะไม่หลงเราใช้ได้ไม่จําเป็นจะต้องรู้ภาษาบาลีภาษาที่สแสดงไว้ในพระไตรปิฎกเพราะสบัยนี้ มีการแปลให้เป็นภาษาไทยให้เราเข้าใจได้ขอให้เราเข้าใจธรรมะก็พอไม่ต้องรู้ภาษาธรรมะขอให้เราเข้าใจธรรมะรู้อริยสัจ ส, สี่รู้ใจรักรู้ว่าที่อย่างเป็นดินน้ำลมไฟนี่กระชับถูกต้องคำถามจากคุณนีลการ์ครับการนัวัฏการคานั่งสมาธิบางครั้งลมหายใจสะดุดค่ะต้องทําอย่างไรคะก็รู้เฉยๆไปว่ามันสะดุดนั่นมันก็ผ่านไปไม่ทำไป ไม่ต้องไปทำอะไรให้รู้เฉยๆจากคุณอนุสอนครับอนัตตาแท้จริงถูกต้องในพุทธศาสนาเป็นเช่นไรขอรับคือทุกอย่างในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นร่างกายหรือวัตถุข้าของกันเถอะนี้ไม่มีตัวตนเป็นธรรมชาติเป็นดิรนามลมไฟทำมาจากดินนามลมไฟเท่านั้นจากคุณสิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นกราบนมัสกา ร, กการเจ้าข้านั่งสมาธิแล้วเกิด อาการเอิบอาบซาบซ่านไปทั้งตัวรู้สึกตัวเบาไร้รูปร่างแต่ไปต่อไม่ได้เพราะสับสนว่าควรนิ่งว่างเฉยหรือรควรเพ่งสมาธิต่อค่ะก็ออกจากสมาธิแล้วร้องไห้ไม่หยุดเลยไม่รู้ว่าแบบนี้คืออะไรคะวเวลานั่งสมาธิถ้าเราดูลมก็ดูลมต่อไปไม่ว่าจะเกิดอาการอะไรต่างๆขึ้นมาเพราะเราอยากไปไม่ถึงที่ที่สุดของมันดูลมไปไม่พุดโ่ไป จงกาลมันจะไปถึงที่สุดแล้วมันเด้งเต็มที่แล้วมันก็จะหยุดดูลมของมันเองแล้วหยุดพุทโธของมันเองส่วนอาการต่างๆที่เกิดขึ้นนี้ก็เป็นเรื่องปฏิกิริยาของจิตใจต่อสภาพของจิตในตอนนั้นท่านเองก็พิจารณาว่ามันไม่เที่ยงมันเกิดแล้วก็ดับไปพอมันผ่านไปแล้วก็ลืมันไปเสียไม่ต้องไปกังวลมันมันไม่ทําให้จิตใจเราปลี่ยแปลงให้ดีขึ้นเร็วลยๆตรงไป จากคุณบุญชูครับเราเกิดมาอยู่ในสังคมที่ไม่ค่อยดีทําให้เราผิดศีลมาตลอดจนถึงอายุสามสิบเราได้เจอคนที่ทําให้เราได้เข้าใจว่าบาปบุญคุณโทษคืออะไรและทําให้เรามาอยู่ในศีลในธรรมอยากถามว่าเราเกิดชาติหน้าเราจะได้เกิดมาในที่ที่ดีไหมครับก็ขึ้นอยู่กับว่าบุญของเราที่เราสะสมในชาตินี้มีมากกว่าบาปหรือไม่ถ้าบุญที่เราทํานี้มีมากกว่าบุญมากกว่าบาปเราก็จะ ไ, ได้ไปเกิดในภพที่ดีไปเกิดในสุคติ ถ้าบาปยังมีมากกว่บุญเราก็จะไปเกิดในทุกกันเีจากคุณวันนาครับกราบต่ทการพระอาจารย์มีผู้ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเกินสามสิบนาทีมีความสว่างในตาทั้งสองข้างและมีตัวเบาหนักสลับกันลักษณะนี้เป็นกิริยาจิตหรือเปล่าคะควรจะนั่งต่อไหมเจ้าคะก็ควรจะนั่งต่อไปจิตยังไม่นิ่งยังไม่สง บ, บยังไม่ว่างควรจะมีอะไรกำกับใจเวลานั่ง มีการดูลมหายใจหรือมีการบริกรรมพุโทโธอย่านั่งดูจิตเฉย ๆ, ๆเพราะมันจะไม่สามารถทําให้จิตเข้าสู่ความว่างความสงบได้อยา่างเต็มที่คําถามเจ้าคุณชัดชะพงครับการบริจาคเลือดได้บุญเยอะไหมครับแล้วถ้าเทียบระหว่างสร้างพระหรือบริจาคลงศพแบบไหนได้บุญมากกว่าครับวิธีที่จะดูว่าเคยดูที่ใจของเราว่าเรามีความสุขแบบจากการทาบุญแบบไหนมากกว่ากัน ถ้าเราทาบนแบบนี้มีความสุขมากกัทบทําบนแบบนั้ น, นก็แสดงว่าบุญแบบนี้เป็นบุญที่ดีกว่าแบบนั้นได้มากกว่าแบบนั้นดูบุญก็คือความสุขใจอิ่มใจนี้เองไม่ใช่อะไรู้ที่ตรงนี้ดูที่ใจของเราคํถาถามจากคุณมานพครับขอน้อมกราบพระสการพระอาจารย์ขอถามครับว่าถ้าเราตั้งจิตอธิษฐานว่าจะทําวัดให้ครบสามเดือนตลอดเข้าพรรษาแล้วเราจะได้อานิสงส์มากน้อยแค่ไหนครับ ก็ได้สร้างคุณธรรมที่ดีเช่นได้สร้างอธิษฐานได้สร้างสัจจะได้สร้างวิริยะได้สร้างขันเตกขึ้นมาจนผลที่เกิดจากการทําบุญถ้าจิตสงบก็จะได้สมาธิขึ้นมาหรือถ้าจิตไม่วอกแวกสามารถควบคุมความคิดได้ก็แสดงว่าได้สติขึ้นมาอยู่ๆผลต่างๆที่เราจะได้รับจากการอ วัดทำวัดไหว้พระสวดมนต์ให้ครบชั้นสามเดือนคุณวสุการครับได้ฟังธรรมะจากพระอาจารย์ได้ความรู้มากยิ่งขึ้นและมีความสุขจิตใจสบายอย่างนี้เรียกว่าเข้าถึงธรรมะได้ไหมคะก็ได้ในระดับต้นหนึ่ระดับแรกที่เรียกว่าสุดะม่ใช่ปัญญาได้ความรู้ได้เกิดจากการได้ยินได้ฟังขั้นต่อไปเราก็เอาไปปฏิบัติสมาธิเพื่อให้ได้อุเบกขา แล้วเราก็จะสามารถเอาความรู้ที่เราได้เรียนตรงนี้ไปดับกิเลสดับโนภะโทสโมหะในใจของเราได้ต่อไปคำถามจากคุณแม่โอครับกล่าวธรรมศกา ร, ร, การขาขณะภาวนาพุโทโธปจิตอยู่กับการบริกรรมแต่กายมีการเคลื่อนไหวเลื้อยคล้ายงูบ้างสานคล้ายลิงบ้างซึ่งเกิดขึ้นเองตอนแรกก็กลัวแต่หลังๆจิตอยู่กับพุโทโธตลอดการภาวนาสักพักกายก็นิ่งทาถูกไหมคะหรือต้องรีบลืมตา ความจริงมันควรจะนิ่งตั้งแต่เราเริ่มนั่งแล้วนะพอนั่งสมาธิถ้าเรามีสติคอยควบคุมใจร่างกายจะไม่ขยับและถ้ามีความรู้สึกว่ามันเคลื่อนไหวก็ไม่ต้องไปการไปไปสนใจเพราะมันเป็นมายาเป็นการสร้างความรู้สึกขึ้นมาภายในจิตเองแสดงว่าจิตเรายัางไม่มีสติมากพอที่จะทําให้อาการกต่างๆเหล่านี้ก็ไม่ให้เกิดขึ้นมาได้ในเวลานั่ง ถ้าดูลงไม่ได้พูดตรงไม่ได้ก็สวดมนตนไปภายในใจก่อนก็ได้คำถามจากคุณสมปองครับกล่าวในพิก า, า, กการเจ้าขา่าลูกเคยนั่งทนต่อความเจ็บปวดยอมตายเหมือนนั่งแล้วกายแตกเย็นทั้งตัวแล้วความเจ็บปวดนั้นมันหายไปแต่เหมือนตัวเองเข้าไปอยู่ในท้องออกจากสมาธิลูกคิดถึงแม่ทันทีนี่คืออะไรเจ้าคะก็เป็นความรู้สึกความคิดปรงแต่งของจิตนั้นเองไม่ทำไปสนใจอ ม, มันเหมือนเรื่อง ปกติจิตที่สามารถปรวมแต่ง ไ, ได้ร้อยแ0ด0 0นประการก็พิจารณาว่ามันเป็นตายรักแล้วกันพิจารณาว่ามันเกิดรอบอันนั้นตาเราไ ป, ปควบคุมบังคับมันไม่ได้ไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปกังวลถ้าไปกังวลแล้วมั น, นจะเป็นทุกข์ขึ้นมาจากคุณเพนครับเคยให้เงินแฟนไปทําแท้งเมื่อตอนเป็นวัยรุ่นอยากทราบว่าบาปใหม่แล้วต้องแก้บาปอย่างไรครับ ก็เป็นการสนับสนุนเรื่องร่วมทําบาปด้วยกันก็ได้เพราะถ้าเราไม่ให้เงินเขาเขาก็ไปทำใช้ไม่ได้การให้เงินเขาก็ถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมในการทําบาปไปกับเขาด้วยแล้วเขาถามว่าต้องแก้บาปอย่างไรครับอาจารย์มอแก้ไม่ได้หรอกทาไปแล้ ว, ม, ลวมันก็จะต้องมีผลตามมาในภายหลังช้าหรือเร็วเท่านั้นเองแต่แก้บาปพัสแก้บาปใหม่ได้ด้วยไม่การไม่ทำอีก นะครับต่อไปแฟนท้องเราไม่อยากเราเข้าจิตของเงินไปทํา่านก็อย่าให้เขาไปคาถามจาคุณปุยนุ่นครับเวลาอุทิศบุญให้เจ้ากรรมในเวรจะทราบได้อย่างไรว่าเขาเอโหสิให้เราหรือต้องอุทิศบุญให้ตลอดชีวิตเราคะส่วนใหญ่เราจะไม่รู้หรอกเพราะเราทําเผื่อไว้เท่านั้นเองเพราะบางทีก็ไม่มีใครมารอรับส่วนบุญของเราความจริงบุญที่นี่ความจริงก็ทําทํา ถ้าทาตามความเป็นจริงแล้วต้องให้เขามาขอบุญก่อ น, นเข้ามาเข้าฝันเราแล้วมาขอบุญแล้วเราก็พอเราทราบว่าเขาขอบุญเราก็ทําบุญส่งไปให้เขาแล้วเขาก็อาจจะกลับเข้ามาในฝันเราคืนต่อไปบอกว่าได้ไ ด, ได้รับแล้วขออนุโมทนาสาธุได้ด้วยมันสมัยนี้เราสามารถส่งเอสเอ็มอสตอบกันได้ อ, อเขาก็โอนเงินเข้าบัญชีเราปั๊บแล้วก็ส่งเอสเอมอสกลับไปว่าได้รับเงินแล้วจ้านี้อันนี้ แต่ถ้าเราทําไปแบบไม่มีสายไม่มีเหตุมาให้เราทําแต่เราทําเพื่อความยิงทําเพื่อเรามากกว่าบุญส่วนใหญ่นี้เราทําเพื่อตัวเราแล้วเราก็เลยขอเือโอกาสนี้แบ่งบุญที่เราได้นี้ไปให้กับผู้ลงรับนะครับอันนี้ผู้ลงรับระนะก็อาจจะไม่ได้มารอรับสมบุญก็ได้เพราะเราไม่รู้ว่าเขาไปอยู่ในภพใดชาติไหนแล้ว อันนี้เขาบอกพระอาจารย์ครับจะกคุณชัญเล็กครับกาธรรมพัศการครับพระอาจารย์หนูฟังจากแคนาดาค่ะหนูฟังทุกวันที่พระอาจารย์สอนในยูทูบมาหลายปีแล้วค่ะสาธุจ้าคุณอ่างเปาครับกาธรรมัศการพระอ า, าจารย์ครับกระผมขอเรียนถามช่วงนี้ตัวกระผมรู้สึกเกลียดคราสในการสวดมนต์มาเป็นเดือนแล้วครับเมื่อก่อนจะนอนผมจะสวดทุกคืนครับแต่เดี๋ยวนี้เริ่มไม่อยากสวดเลยครับก็ต้องมีอธิษฐานเองเราสร้างจิตอธิษฐานว่าเอาไปนี้จะสวดมนต์ทุกคืน แล้วก็ต้องมีสัจจะคือไม่หลอกลวงตัวเองเมื่อเราตั้งแล้วสัญญากับตัวเราเองแล้วพอถึงเวลาเราก็ทําต้องมีวิรยิยะความเพียรพยายามมีความอดทนเหมือนถึงไม่จะง่วงนอนอยากจะนอนเลยก็ต้องฝืนต้องบังคับจิตใจยังถ้าอยากจะทําอะไรให้สําเร็จได้ต้องมีธรรมสี่ข้อนี้คือมีอธิษฐานความตั้งใจมีสัจจะความจริงใจมีวิรยิยะความภาคเพียร ความพัญนเพียงแล้วก็มีคันติความอดทนเราจะสามารถทําอะไรได้ทุกสิ่งทุกอย่างประชานไปขี่คำถาม ถ, ามถูกดีเฟรสไปมีน่าสนใจเขาถามว่าจะผ่านอารมูปไปถึงอารมูปประชานได้เนี่ยต้องผ่านรูปประชานไปก่อนอย่างนั้นถูกต้องไหมครับใช่ใช่เพรามันมีความละเอียดต่างกันรูปรูปประชานนี่ยากกว่าอารมูปประชานเห็ต้องได้ฌานสี่ก่อนแล้วถึงจะเข้าสู่ อ, อรูปประชานได้ คำถามจากคุณโชติกาครับน้อมกล่าวในพิธีการพระอาจารย์ทําอย่างไรจะควบคุมความคิดได้คะจิตชอบออกนอกชอบออกไปเที่ยวบ่อยคะ่ะขยันท่องพุโทโธไปบริการพุโทโธพุโทโธไปเดินยืนนั่งนอนถ้ามันจะคิดเรือ น, น, นั้นเรื่นี้ก็ทําพุโทโธแข่งกับมันไปเดี๋ยวมันก็จะหยุดเองถ้าเราไม่หยุดพุดโทโธพุโทโธเปเหมือ น, นเบรกของจิตนะเบรกความคิดคําถามจากคุณเ ป, ปเปอร์ครับ ถามนักศิชาการกับพระอาจารย์ทําไมการไม่มีร่างกายถึงบรรลุธรรมไม่ได้เหรอคะไดแ้แต่กับปัาหาคือว่าเวลาเราเป็นเทวดานั้นมักจะไม่มีกา ร, รอสอนธรรมะให้กับเรานั่นเองแต่เวลาเราเป็นมนุษย์นี่เราจะมีพระพุทธเจ้ามีพระอรหันต์ต่างๆมาคอยสอนธรรมะให้กับเราพวกเทวดานี้ต้องรอให้มีคนที่มีอภิญญาติดต่อกับเทวดาถึงจะสอนเทวดาได้ ซึ่งไม่ใช่พระอาหารหันทุกลกจะมีขึ้นยามเพราะพุทธเจ้ากับพระอรหันต์บางรูกทั้งนั้นที่สามารถที่จะติดต่อกับเทวดาและสอนเทวดาได้แต่ถ้าเป็นมนุษย์นี่มีพระอาหารหันต์มีพระที่สามารถสอนธรรมะได้เยอะกว่าโอกาสาที่จะได้เรียนธรรมะได้ปฏิบัติธรรมก็ยิ่งมีมากกว่าการเป็นเทวดานั่นเอง คุณสุดารัตน์ครับก า, า, การธรรมศึกษาอาจารย์เจ้าคะอยากเริ่มต้นนั่งสมาธิลูกต้องเริ่มอย่างไรเจ้าคะไม่มีความรู้เลยเจ้าค่ะก็เพียายามมันฝึกสติเรื่อยๆวิธีฝ <strategically> ึกสติก่อนที่จะมานั่งก็คือทำพุทโธพุทโธไปเอาตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยตื่นขึ้นมาก็พุทโธพุทโธไปหรือเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายแทนก็ได้ว่าร่างกายเรากําลังทําอะไรกำลังเดินก็เดินไปกับร่างกายกำลังนั่งก็นั่งไปกับร่างกาย ำลังอาบน้ำและว่อทานอาหารก็ให้อยู่กับนั่งกายไปอย่างนี้เรียกว่ามีสติพอมีสติเวลามานั่งก็ใช้คำบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปก็ได้หรือถ้าอยากจะดูลมหายใจก็ก็ดูที่ปลายจมูกอันนี้ก็เป็นวิธีนั่งสมาธิแบบง่ายๆไม่ยากเกยนอะไรน้องทำดูคำ ถ, ถามจ้กคุณพยอมครับ ตอนเช้าไม่ได้ใส่บาตรค่ะแต่วันหยุดจะชอบนํำข้าวสารน้ํานมไปถวายอันไหนสมควรทํามากกว่ากันคะคือก็อยู่ที่ผูรับว่าอย่างไรที่จะสมควรวัดบางแห่งนี่ก็ถ้าอยู่ทีที่กันดารอาหารแห้งก็มีคุณมีประโยชน์าบางทีมีถ บ, บายมาบางวันอาจจะไม่พอรับประทานก็อาศัยอาหารแห้งที่ญาติโยมส่งไปอันนี้ก็ได้บางแห่งนี้ก็ ได้ทั้งสองอย่างอันนี้ต้องดูดูผู้รัดว่าเขาขาดแคนอะไรเขาต้องการอะไรไม่ใช่ให้แต่ของที่เขามีอยู่แล้วมากเกินไปมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเช่นผ้าตายนี่มีมีเป็นน้อยผัาเนี่ยมันแต่ผ้าท่านก็มีใช้เพียงชุดเดียวท่านเองส่วนใหญ่ผ้ า, าตายนี่ที่ถวายมาเนี่ย้างจะไม่ได้ใช้กัน ก็แบ่งไปทำบุญวัดต่างนั่นเองก็สมัยว่าที่อยู่ที่กันดารที่ ข, ข, ขาดแคมได้คำถามจากคุณเคโซครับเวลานั่งสมาธิบริกรรมพุทโธและฟงซ่านมากเลยกำหนดพุทโธ1พุทโธ2จนถึง99แล้วย้อนกลับถึงศนยทำวนไป 4-5 ้ารอบแล้วค่อยกลับมาดูลมต่ออย่างนี้ผิดถูกอย่างไรครับถ้าทำแล้วทำให้มีสติสามารถกลับมาดูลมได้ก็ถือว่าใช้ได้เป็นอุบายวิธีจเจริญสติขึ้นมาก่อน อาจารย์กรับวันนี้คถามสุดท้ายครับผมถามเองก็แล้วกันครับอาจารย์ครับวันก่อนได้ฟังพระอาจารย์ที่ซูมภาษาอังกฤษครับอาจารย์แล้วก็มีผู้หญิงไทยคนหนึ่งที่เขาถามพระอาจารย์เรื่องว่าเพื่อนเขาเนี่ยเป็น C A เป็นมะเร็งแล้วก็โรยอรัสสุดท้ายของโลกครับอาจารย์อาจารย์จําได้ไหมครับแล้วก็เขาถามเขาถามพระอาจารย์ว่าเขาสอนเพื่อนนั่งสมาธิแล้วก็เพื่อนเขาก็นั่งสมาธิได้แล้วตอนนี้วันละหนึ่งชั่วโมง แล้วเขาก็ถามพระอาจารย์ว่าแล้วเขาชวนจะปฏิบัติหสอนเพื่อนเขาทำอย่างไรต่อวัอนนั้นพระอาจารย์ก็โห อ, อธิบายแล้วผมผมฟังแล้วผมปลอดโป่งมากเลยครับก็เลยอยากจะขอถามคถามนี้พระอาจารย์อีกครั้งหนึ่งอธิบายเฉพาะกับไทยครับคุณหมอคุณหมาพูดจำได้ไ่มที่เราพูดอะไรพราะประมาณว่าพระอาจารย์บอกว่าเราถูกวินัยไฉมาตั้งแต่เกิดแล้วเองครับอาจารย์ช่ถ้าถ้าเขาสามารถถ้าเขามีความสงบมีสมาธิแล้วก็ให้พิจารณาทางปัญญาไปว่า ความตายนี้เป็นตเรื่องที่กําหนดมากับความการเกิดนั่นเองตับใดมีการเกิดตาบนั้นก็ต้องมีการตายไปนี้นี้พ้นความตายเป็มมเม ไ, ปไม่ได้ยังต้องสอนจิตให้ยอมรับความตายให้ได้ด้วยการปล่อยวางร่างกายแล้วจิตก็จะไม่ทุกข์กับความตายของร่างกายต่อไปครับผมวันนั้นพระอาจารย์บอกว่าอ่บอกว่าอุ๊้ทำไมต้องรอให้หมอวินิจฉัย ใชครับอาจารย์พระพุทธเจ้าวินิจฉัยตั้งแต่เราเกิดมาแล้วผมฟังโอ้แต่แทกใจว่าอะไรันวะจังแล้วคนเป็นมะเร็งเยอะอะครับอาจารย์ครับผมัฟังแล้วโอ้ดีจังบางทีคาตอบนี่มันสดๆร้อนๆเอามาพูดใหม่แล้วมันไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมแต่วันั้นถึงใจเลยครับอาจารย์ครับคุณหมอก็เล่าให้เพื่อนๆฟังครับอาจารย์ครับถูกใจอะไรเขาเล่าเพื่อนใจ พอวันาานั้นพระอาจารย์บอกว่าบอกว่าทําไมเราต้องไปรอจนหมอมาวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วเพราะเจ้าบอกมาตั้งแต่ตอนเกิดแล้วว่าเราตายแน่นอนทําไมต้องไปรอคนอื่นมาบอกอีกครับอาจารย์ครัทําไมต้องคนอื่นยืนยันใช่ไหมใช่ครับอาจารย์พระเจ้ายืนยันนอนยันมาบอกพวกเราตั้งแต่เริ่มต้นแล้วแต่เราไม่เชื่อเท่านั้นเองเราไม่อยากจะเชื่อไม่ยอมเชื่อ เธอต้องให้มีหมอมาพูดยืนยันอีกทีถึงจะยอมรับตอนนั้นก็สายไปแล้วเพระรับไม่ได้อยู่ดีครับผ <Okay, S 2> มครับผมขอบคุณครับอาจารย์ครับผมขอโอกาสสรุปวันนี้กับสองพันคนครับอาจารย์ครับก็ฟังรูปพังธรรมะร่วมกันหนึ่งพันเก้าร้อยหกสบสองคนครับจากทุกซ่องทางครับอาจารย์ครับดีใจทําให้มีกําลังใจที่อยากจะกลับมาพูดต่อในคราวหน้า ครับคุณหมอโอเคเน้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านทั้งหลายจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเถิดสาธุขอลาคุณหมอไปในนะ้นเราพบกันใหม่คราวหน้าอาคิดย์หน้าครับครับน้ำสการครับอาจารครับ